อ่าพระอาจารย์เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิมนต์พระอาจารย์ขึ้นหน้าจอนะครับพระอาจารย์ครับกลาวนำมาตย์การครับอาจารพ์คุณหมอท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้ผมถ่ายทอดจากฮ่องกงนะครับพระอาจารย์ใจสัญญาณอินเทอร์เน็ตรงแรวครับบางช่วงอาจจะมีสะดุดได้บ้างนะครับพระอาจารย์ถ้าถ้าสัญญาณหายไปพระอาจารย์รอสักครู่นะครับผมจะรีบเข้ามาใหม่นะครับอาจารย์ครับพูดไว้ก่อนครับผม ความรู้สึกระหว่างเขาเชียโอกับข้องกบเนี่เป็นยังไงต่างกันไหมเพราะต่างกันเอที่ที่ที่นี่มีแต่ความสะดวกสบายครับอาจารย์เขาเชียโอ้ลกได้เนี่ยการมาส่งประสารติสสกนี่ก็หลายอย่างนะการนิสสกนี่ป่าจเข้าได้ถึงไม่แห้่งกันเหนื่อยเหนื่อยน่อยการมาส่งนี่มันง่าย ครับเดี๋ยวคแต่มันยากยืนว ก, กันนะนนที่โอกาสานได้สันติสุขนี่มันยาวนาะนะตลอดไปเลยนะนี่บาลังบาลมังสุขขังแต่ถ้าการมุสุขนี่ก็เป็นอนนิจจังทุกข์ขังเ น, นี่ยที่พูดถึงอนิจังอย่างนี้เดี๋ยวเห็ น, นว่าจะการเป็นทุกขังเดี๋ยวกับมามันก็ทุกข์หมดไปนะครับอาจารย์ครับพอดีถือโอกาสวันแม่พาคุณแม่มา เที่ยวบ้างนะครับเป็นเป็นเรื่องของทางลโลกครัคนทั้งโลกก็ต้องอาศัยการมสุขไปก่อนอย่างน้อยก็อย่าไปทําบาปในการสัมหาการมรรส ก, กันนะครับอย่างน้อยเวลาเวียนไหวตายเกิดยังจะเวียนไหวตายเกิดในสุค ต, ติถ้าไปทําบาปแล้วไปหาความสุขด้วยการทําบาปนี่มันจะต้องเวียนไหวตายเกิดในในทุกคตินะ แตสู้สันติสุขไม่ได้รับประกรันได้อวันนี้เขาเรย่องอะรอาจารย์เดี๋ยวจะเรียนยยนู่นที่ปัญญาพูดถึงอะไรคำเลี้ยงครับวันนี้ก็เลยขอปัญญาระอาจารย์เรื่องอนิจจ์ครับรอาจารย์ครับขอบพระเมตตาครับความความหมายของอนิจจ์ก็คือมันไม่จีร้ำเท้าวรมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างเราก็เลยอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเช่นรงการของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีเลยนับตั้งแต่มันเริกตอดต่อตัวขึ้นมาในท้องแม่ทุกวันมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยอันนี้ก็อนิจจ์แหละแต่มันออนิจจ์ในทางที่เราชอบมันคือถ้ามันเจริญอนิจจ์เพือการเจริญเติบโตนี่เราก็ชอบมัน ตอเป็นเด็กเวลาเราโตขึ้นแต่ละปีเร า, เร า, เราดีใจว่าเราสูงขึ้นเราทำอะไรได้มากขึ้นแล้วมันพอมันตอบโจทย์กักเงเกลสอันที่จังแบบนี้ไม่เป็นไรแต่พอมันมาถึงกลางทางครึ่งทางนะพอเข้าวัยห้าสิบแล้วนี่มันแล้วอันที่จังไปอีกทางนะเริ่มเสี่ยงนะเรื่ อ, อแก่ลงหน้าตาหิวย่วนลงอะไร อวัยวะต่างๆแล้วมุดสุดเสื่อมในโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอนิการิจักเนี่ยมันเป็นการเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อครึ่งหนึ่งก็ครึ่งหน้าก็เหมือนกับขึ้นเขาขึ้นเขาพอ ป, ปีถึงยอดเขาแล้วอีกครึ่งหลังก็ต้องเดินลงเขาเลยเมื่อมันจะเรียนเต็มที่แล้วมันก็สู่จุดเสือ่ manner, อม น, นี่คือคําว่าอธนนิจักเป็นอย่างนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเนราชาญเป็นเป็นมนุษย์หรือเป็นวัตถุต่างๆ ม, มันเวลาได้มาใหม่ๆมันก็ดูดูดูดูดีแต่ใช้ไปใช้ไปมันก็เก่าอ้อเดี๋ยวมันก็ชำรุดทรุดโทแล้วเดี๋ยวมันก็พังไปอันนี้คือลักษณะความหมายของอนิจจามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยง เมมีการเจริญมีการเสือ่อมมีการสิ้นสุดลงเป็นเป็นกฎของธรรมชาติของของในโลกกระ น, นี้ที่มันจะต้องมีการเจริญแล้วมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาทนี้มันเมื่อมีการเสื่อมในามทางที่ที่เราไม่ที่กินเล็กไม่ชอบมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราอยากจะให้มัน เสื่อมไปทําเจริญะเปลี่ยนไปในทางเจริญชถ้เาเราร่า ง, ร า, งรางกายอยู่ไปเรืเป็นร้อยปีพันปีแล้วก็นับไปเรื่อยๆรื่อยนี่แล้วก็ดีใจแตมันไม่ใช่แบบนันมันเริมมนรับถอยหลังแลเดี๋ยวก็เมื่อไม่กี่ปีมันก็จะค่อย ค, อยคอยหมดไปชีไหมมันก็เลยทําให้เราเกิดความทุกข์ใจเพราะความอยากเราอยากจะให้ร่างกายอยู่ไปนานอยู่ไปแบงไม่ตาย แต่ธรรมชาติความเป็นจริงมันมันเป็นไปไม่ได้ความเป็นจริงก็คือสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยที่ท่านพระอัญญากนัาญาบอกเห็นแล้วเหรอก็เห็นกฎอนิจจ์เลยเห็นกฎอนิจจ์เห็นกฎอนัตตาเห็นกฎทุกขังเห็นรู้แล้วว่าที่ทุกข์ก็เพราะว่าไปอยากให้มันเป็นนิจจ์ไม่อยากให้เป็นอะไม่อยากให้มันเป็นอนิจจ์ อยากจะให้มันเป็นอั้ตาเป็นเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดแต่มันเป็นหน้าตามันเป็นของธรรมชาติมันต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติร่างกายนี้มันมาจากธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุาลมธาตุไฟและวันหนึ่งมันก็จะต้องแยกตัวกันไปเวลาคนตายนี่ธาตุแรกไปก่อนก็คือธาตุาลมธาตุลมไม่เข้ามานะไม่มีลมาหายใจ ตามด้วยธาตุไฟความร้อนในร่างกายก็หายไปตามด้วยธาตุน้านําจะปล่อยทิ้งไว้ให้มันขึ้นเ อ, อิญ เ, เน่าเปื่วยไปมันก็ธาตุน้ํามันก็จะแยกออกมาจนกระทั่งพอธาตุน้ํามันเราเหยหายไปหมดก็เหลือแต่ธาตุดินก็เป็นซากของก็สดทีออ่ที่แห้งกรอบ ห น, ห, น ห, หนังก็แห้งเนื้อก็แห้งวายร้ายทั้งๆก็แห้งไปหมดแล้วป็ถ้าทิ้งไปนานๆมันก็ผุกลายเป็นธาตุดินไปหมดกลายเป็นดินไปหมด น, นี่คือกฎแห่งอนิจจังที่เป็นกฎตายตัวในในจักรวาลในโลกธาตุโลกธาตุจักรวาล น, นี่เป็นเป็นโลกธาตุทุกสิ่งทุกอย่างล้วกอบจากธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ดังนั้นเราต้องศึกษาเราต้องเห็นความจริงแล้วอย่าไปฝืนอย่าไปอยากอย่าไปสนกับความเป็นจริงเพราะความอยากที่มันฝืนกับความเป็นจริงมันจะทำให้เราทุกข์เพราะมันจะไม่ได้ตามใจอยากแตถ้าเราอยากตามความเป็นจริงอยากแกอยากเก็บอย่างตายเราจะไม่ทุกข์เพราะเราจะสมหวังเพราะว่าเราแก้วดีใจเราได้หลังที่เราอยาก อยากเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเรามีความสมุขได้สมใจอยากตายแต่ไม่ฆ่าตัวตายนะอยากตายอัติมณามันตายเองเราก็แฮปปี้ว่าเราได้ดังใจใเวลาเราอยากได้อะไรพอเราได้เราดีใจกันใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เราจะอยากไปทางด้านครึ่งเดียวไม่อยากจะไปทางด้านเจริญอยากให้ร่างกายนี้แข็งแรงสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้ พอมันไม่เจ็บไม่ค่าเราก็ดีใจเมืนั้นร่างกายแข็งแรงเราก็ดีใจแต่พอร่างกายมันไม่ไม่ไม่แข็งแรงมันเริ่มเจ็บไข้ได้ปวด่วยเริ่มมีความเจ็บปวดตามชนมิดต่างๆมันก็ทําให้เราทุกใจดังนัการมารปฏิบัตินี้คือเพื่อมามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนใจมาย้อนสอนกิเลสง่ายๆกิเลสต้องการให้ร่างกายนี้เป็นนิจจังสุขามาอัตตาแต่ความจริง เราต้องเห็นว่ามันเป็นเราเห็นด้วยความเป็นจริงถ้าวิเคราะห์ด้วยวหลักทางวิทยาศาสตร์ก็จะรู้ว่ามันเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเวนณตาถ้าเราไม่อยากจะทุกเราก็ต้องอยากไปอยากให้มันไม่แก่อยากไปอยากให้มันไม่เป็นอนิจจังอยากไปอยากให้มันเป็นของเราแต่ไม่ได้เป็นของเราวันนึงมันเราก็ต้องมันก็ต้องกลับคืนสูธรร่ธรรมชาตินั่นครานนี้เป็นเหมือนของที่เรายืมมาจากธรรมชาติ ยืมมาจากท่าสี่ในน้ำลมไฟในวันหนึ่งเจ้าของก็จะมาเอาคืนไปถ้าเราไปยืมรถเราก็รู้ว่เป็นรถของเขาเองพอเขามาอาคืนมาเอาคืนแล้วก็อ่เรายินดีแต่ถ้าบางคนใช้ไปแล้วติดไม่อยากจะคืนเวลาเขามาเอาคืนก็ทุกข์อยู่ที่อยู่ที่ยอมคืนเขาหรือไม่ยอมคืนปัญหาของเราไม่ยอมกันไม่ไม่รู้ว่าเป็นของยืมเข้ามา ที่ว่าเป็นของเราความจริมันเป็นของธรรมชาติยืมยืมมาจากธรรมชาติแล้ววันหนึ่งธรรมชาติก็จะมาขอคืนไปแล้วพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอะไรจางมันเป็นของชั่วคราวเนี่ยการที่เร า, าวางผอกันาวนนี้ก็ชั่วคราวใช่ไหมชั่วโมงขึ้นเดี๋ยวเราก็จากกันะงแต่ว่าอย่างนเราเรารู้เรื่องง่ายแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน ยอมรับความเป็นจริงมากเดี๋ยวอีกช่วมงครึ่งเราก็ต้องแยกกันจากกันไปแต่สมมติว่าถ้าเกิดไฟดับไฟดับไม่สามารถติดต่อกันได้ภายในสิบห้านาที น, ทนี่มันกอาจจะเกิดอาการตกใจขึ้นมาเกิดมาไม่สบายใจขึ้นมาเอ๊ะทำไมอยู่ดีดหายไปเพราะเราไม่ได้คาดว่ามันจ ะ, ม, นจะมันจะหา ย, ยานันเราต้องคาดอยู่ทุกขณะเว่าว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ ทุกลมหายใจเข้าผู้เจ้าส อ, าอนว่าอนุให้พิจารณาความตายความตายก็อ น, นิจจังการสิ้นสุดของของของชีวิตเรามันจะสิ้นสุดได้ทุกเวลาส่วนที่ประกอบส่วนที่ชีวิตเร า, าเกี่ยวข้องเพื่อมันก็อาจจะสิ้นสุดได้ทุกเวลาเช่นตอนนี้เรามาคุยกันอันนี้มันอาจจะสิ้นสุดในห้านาทีข้างหน้าก็ได้อย่างที่คุณหมอบอกไว้ร่างหน้าก่อนแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันมีปัญหา ข้อง ม, มันก็กเชื่อมต่อกันไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าแล้ว เ, เราเตรียมใจไว้มันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่เราต้องรู้ ล, ล่วงหน้าไว้ก่อนร่างกายคนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผู้เช่าผู้สอนให้พวกเราพยายามเดินใจอยู่เรือยว่าเราเกิดมาแนละ้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาต้องทนความแก่ความเจ็บความตายเปไม่ได้ให้คิดอยู่เรื่อยให้คิดอยู่บ่อยๆจนกระทั่งไม่ลืม เราจะได้เตรียมตัวแก่เตรียมตัวเจ็บเตรียมตัวตายกันอย่างที่ก็บอกให้ตายก่อนตายเจ็บก่อนเจ็บแก่ก่อนแก่ตอนนี้ผมอเป็นคนหนุ่มอยู่แบาคนแก่มั้งเลยดูที่คนแก่เขาทําะไรไปไหนมาไหนได้ไหมก็ต้องอยู่กับบ้านอยู่ว่าคนแก่คนเจ็บก็นอนบนเตียงะคนตายก็อยู่ในโรงเนี่ก็เลยให้ให้แก่ก่อนแก่เจ็บก่อนเจ็บแล้วให้ตายก่อนตาย การที่เราจะทําแบบนี้ได้เราต้องสามารถทําใจให้นิ่งให้สงบได้ให้เป็นอุเบกขาได้เพราะถ้าใจเราไม่นิ่งไม่สงบนี้กิเลสมันจะออกมามันจะอยากไปทำนู่นอย่างจะไปทํานี่นา ก, การวาตหาจะออกมาภาวะตัณหาอัีภาวะตัณหาจะออกมาพอมันออกมามันม ก, มก็สร้างความคุปสร้างความทุกข์สร้างความเคลียดในอกใจของเราแล้วก็ถ้าเราทนไม่ได้จะจะรังแก จะเราเตรียมแก่ก่อนแก่พอถึงเวลาจริงอยู่บ้านไม่ได้กี่ชั่วโมงเดี๋ยวต้องออกไปแล้วหรือมาอยู่วัดก็ได้อยู่วัดไม่ได้กี่วันก็ต้องกลับไปแล้ว น, นี่คือการมาอยู่วัด น, นี่ก็เป็นเหมือนกับการมาหัดมาแก่ก่อนแก่เจ็บก่อนเจ็บแล้วตายก่อนตายเลเข้าใจไหมนี่คืออนิจจัง ต, ต้องยอมต้องเห็นจัิงจังตลอเวลาเชีวอตของเรานี่มันเส้นส่วนลงได้ทุกเวลาเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาพลิกจากหน้งงามือเป็นหลังมือก็ได้ตอนนี้มีความสงบมันดีนนนจจน ข, ขึนนรรนน้นนี่มันอาจจะพลิกกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ได้ไม่มีใครรู้เหตุการณ์หนักหนาทางกายเอาวันดีขึ้นนี่มันอาจจะหยุดหัวใจมันอาจจะหยุดตั้นขึ้นมาทันทีก็ได้ ได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้ไว้บ่อยๆเลยครับอาจารย์ยังต้องเตรียมตัวเปลียยนใจถ้าเราจะไม่เราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่เตรี่ยนตัวมาก่อนเราจะทุกข์เพราะว่าเราไม่พร้อมที่จะเป็นครับเป็นอย่างนั้นไม่พร้อมที่จะแก่ไม่พร้อมที่จะเจ็บไม่พร้อมที่จะตายไม่พร้อมที่จะพัดพาจากคนที่เรารักเนี่ยแต่คนที่เรารักจากเราไปเราก็จะเสียใจทันทีทั้งๆที่รู้ว่าจะต้องจากกันแต่ไม่เตรียมตัวเตลียนใจ รับกับความจริงนี่ยังรู้อย่างเดียวไม่พอรู้ก็อย่าลืมถ้าไม่ไม่นิ่งเราต้องมาซราบมาทําใจยอมรับกับความจริงอันนี้ให้ได้การรับได้ก็ต้องฝึกสมาธิน่นสมาธิทําใจให้นิ่งปนุเบญหาใจจะมีความสุขอยู่เฉยอยู่ตามลําพังได้ไม่มีอะไรก็อยู่ได้ไม่มีร่างกายก็อยู่ได้ไม่มีครอบครัวก็อยู่ได้ไม่มีเพื่อนก็อยู่ได้ไม่มีอะไรก็อยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีความสงบไม่มีสมาธิไม่มีความเนิ่งเฉยนี้ความอยากมันจะทํางานตลอดเวลาต้องฝึกสมาธิกันให้มากๆต้องจัดนันสติควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ม้าหยุดความคิดได้นะเราก็จะสามารถที่จะทําใจให้เฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆได้ว่าจะดีแล้วจะไม่ดีก็ตาม พอคุณพระอาจารย์ที่ให้สติครับ ม, มานานรู้สติอัจารย์ทำไมอนิจนนจสติอ น, นิจจสติอนิจจสติก็ได้มานานรู้สติก็ได้อ น, นิจจมันคุมกว้างไงมันคุ้มทุกอย่างเลยอันใดมานานรู้สติเนี้เอาแต่ร่างกายแต่ร่างกายเรามันก็เหมือนคุ้มทุกอย่างพอเราตายแล้วก็สมบดทุกอย่างเหมือนกันแล้วที้ จากวานนี้ประเทศนี้คนที่อยู่ในโลกนี้หายจากเราไปหมดเลยเวลาที่เราตายครับซึ่งความจริงเราก็ตายอยู่ทุกวันแต่เราไม่เราไม่รู้ว่าเราตา ย, ยกันอยู่ทุกวันเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวมอนนอนเดี๋ยวมองนนอนหลับมก็ตายจากโรคนี้ไปเชื่วข่าวใช่ไหมใช่ครับเราไม่รรู้เหตุการณ์ของโรคนี้เลยว่าจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเขาจะอยู่เครจะไปไม่รู้เลยแต่มันเป็นการเชั่อขา่าว เรามีความเชื่อว่าเราจะต้องตืร์นเราก็เลยไม่รู้สึกเสียใจแต่ถ้าเรารู้ว่าเราหลับแล้วไม่เติร์นเราก็คงจะนอนไม่หลับไม่นอนดีกว่าหรือว่าคนาน่ายตายต <c oughs> ถา้าหลับแล้วไม่ติรนกูนนไม่หลับทางการดึงขึน <c oughs> อย่าหลับนะหลับแล้วไม่ติรน ขอบคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับเดี๋ยว ม, มีคำถามจากเพื่อนน่าสนใจครับเขาบอกว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วครับรอาจารย์ก็น่าเห็นว่าเราไม่กลัวตายแนละ้วเราไม่โกลัวเจ็บแนละ้วเราไม่กลัวความแก่นะ้วเราไม่กลัวการพัดพลาดจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไปขนาดนี้เรารู้สึกเฉยเฉย ไม่ทุกกับการพัดพลาดอ่างกันไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายมีคำถามฝากถามบอกว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธไหมครับอาจารย์ครับยังมีอยู่เพราะว่าท่านยังโกรธเรื่องเรื <S <S ่องเรื่องแฟนอยู่ได้อยากจะนอนกับแฟนทนไม่ยอมให้นอนด้วยก็โกรธก็ได้เพราะยังมีการมาลาทาอยู่อ๋อ ถ้ายังมีความอยากอยู่ยังมีความโกรธได้นมแต่พระอนาคามีก็ยังโกรธได้อยากจะเข้าสมาธิแล้วมีคนมารบกวนทําให้เข้าไม่ได้บางทีก็อาจจะโกรธได้ต้องเป็นพระอรหันต์นั้นที่ไม่โกรธเพราะถ้าไม่มีความอยากหมดเนจจหมดสิ้นไปความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความโกรธเพราะอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธ แต่พระอระหรันต์บางทีแสดงกริยาคล้ายๆเหมือนโกรธได้แต่ว่าทัศใจท่านไม่ได้โกรธใช่ไหครับอาจารย์ใช่ท่านใช้การถ้ำสอนผู้อื่นท่านจะดูนะว่ากล่าวพูดดีๆเขาก็ไม่กลัวใช่ไหมต้องท่าทางต้องทำท่าทาดุา ด, ดนินก่อนเกลียดกันอย่างนี้มันก็จะทำให้คนที่ได้รับการว่ากล่าวตักเตือนนี่มีความยำเกรงมีความกลัว เพราะคิดว่าท่านเอาจริงของจังไไม่ใช่หมอลูกหัวพูดเธออย่าทำนะเธอไม่ไดีอย่างนี้ตามือลูกหัวพูดจาอ่อนหวานอ่อนโยนนี่ขเขาก็ไม่ขวดครับาจารที่ท่านดูพาเสร็จแล้วท่านเห็นอาการของพาสันนที่ท่านแอ่นยิ้มรูปหัวหัวล็อกซิกซิกับภาพลูก <laughs> อ๋ <laughs> อชอบพูดจา ัภาพการที่รู้รรปใจทาง น, ท, า น, นาที่คนหลงตานี่ปอกหลงตาเองหลงตาไปถ้ า, ว, า, าว่าเหมือนกับ <c oughs> โกรดเกลียดชังกันมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติอนี้คือว่าแบบไม่ไว้หน้าเลยก็แล้วกันอแต่แต่เป็นไปด้วยเห็นด้วยผลไม่ได้ไม่คือไม่มีความเกรงใจถ้าบอกถ้าแม่รูป ห, หน้าปากจมูก คุณเพชรตะวันครับบอกว่าอยู่มาครึ่งชีวิตแล้วยังปองเรื่องการเมืองไม่ได้เลยค่ะกรรมเยอะไหมคะก็ไม่มีปัญญานะถ้าถ้ามีปัญญาเพื่อจะรู้เรื่องการเมืองก็เรื่องน้ำเน่าละครน้ำเน่าจะดีเนี่ยศึกษาประวัติศาสตร์ของการเมืองเยู่มันก็วนเวียนอยู่ในอ่านเนี่ยเปลี่นระบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปฏิวัติกลับมา เป็นเกนฑัฐมนตรีใหม่เลือกตั้งใหม่เดี๋ยวก็โกงกันหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ปฏิวัติใหม่เดี๋ยวก็อย่างเงี้ยมันก็วนไปอย่างเงี้มาตลอดไม่ไ ป, ไปอะไรกับเขาทําไมเขาเข้าไปเขาไปทําอะไรเขาก็ไปกอบโกยทั้งนั้นใช่ไหมนั่รวยกันทั้งนั้นเราไปบ้าไปไปเชียร์ไปดีใจเสียใจกับเขาทขําไมเขาเล่นละครนราดูเป้าหมายหลักของเขาคือกรอบโกยผลประโยชน์อำนาจต่างๆ จากการที่มีตําแหน่งมีมีมีอานาจเขา่าสามารถที่จะใช้อํานาจของเขากาะกลยุยผลประโยชน์ให้กับตัวเขาแล้วพวกของเขาได้้นอาจจะมีการทําประโยชน์ให้กับอ่ากับประชาชนบ้างเป็นเหมือนกับเป็นเป็นภาพลวงให้ให้เห็นว่าไม่ได้มากินอย่างเดียวมีอะไรดั่งให้หน่อยมีเศษเนื้อให้หน่อยเศษเนื้อที่ติดฟันนี้เอามาให้ให้พวกประชาชนได้ได้ได้ริม ล, ลดหน่อย แต่เนื้อชิ้นส่วนใหญ่ก็เอาไปกินมดเราได้อะไรล่ะเราก็ต้องเสียภาษีเหมือนเดิมไงค่าน้ำค่าไฟเราก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมรถก็ตินเหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรผิด คุณอนอนนงครับบอกว่ามีคนฝากถามครับปกติระหว่างวันจะเป็นคนที่มีความฟุง้งซ่านมากๆค่ะทําให้ตอนกนลางคืนนอนหลับยากพระอาจารย์มีคําแนะนําอย่างไรบ้างเพื่อให้กลางคืนมีความสงบและหลับได้ง่ายขึ้นครับก็ต้องฝึกสติให้มากๆต้องหมั่นบริกรรมพุโทโธพุโทโธอยากบ่อยให้จใจคิดเรื่องราวที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดคิดแต่เฉพาะเรื่องที่จําเป็นเช่นงานการที่เราทําถ้าเป็นเรื่องสเพเรเฮระเรื่อง เพิ่มฝันเพิ่มเจ้าต่างๆนี้ก็อยากปล่อยให้มันคิดให้ใช้ให้มันใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันต้องขยันพุโทโธแล้วจะทําให้เรามีสติที่จะหยุดความคิดที่ไม่สําคัญได้แล้วปล่อยให้ความคิดที่สําคัญคิดไปอย่างเดียวนั้นเราก็จะคิดน้อยส่วนใหญ่ความคิดของเรานี้เป็นเรื่องของความคิดที่ไม่จําเป็นนอกคิด กินวิต ก, กงังวลกินวิพากษ์วิจารณอะไรต่างๆนานา้อยแปดพัน 180, ประการเรียนพระอาจารย์ครับตอนนี้ที่ที่เดินอยู่ที่ฮ่องกงนี่คือขาลงพุโทโธพุโทโธกับได้เยอะมากเลยนะครับอาจารย์มันนี่ยได้เจ็ดพันสิบอื่าเมตรเลยครับแต่ตอนขึ้นขึ้นไปมันไม่ไปพุทโธเลยตอนจ ะ, จะไปมัไปพ <c oughs> ตลาดเมื่อกีมาา้มันกี่ยวมุชลามันเหล่าเราให้เราเออย่างเน้าให้เราตอนนี้เรามีพุโทโธนะพราะกิเลมันได้อย่างที่มันอยากได้นะมันมันได้ไปนะมันไปนะมันกเลยอ่ะปล่อยให้เราพุโทโธสักหน่อยครับแต่ตอนถึงบทบาทสําคัญนี่มันไม่ยอมปล่อยครับที่เรียนพระอาจารย์คือบอกว่าเทคนิคใหม่ครับทุกทีพวกผมจะขาซ้ายพุทขวาโธครับแต่วันนั้นได้ยินพระอาจารย์เทศบอกว่า ถ้ามันช้าไปให้พูดโทพูดโทพูดโทไปทุกเก้าครับรู้สึกว่ามันมันยึดสติได้ดีกว่าครับแล้วก็ฝึกไปทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะอปรับนัทธาคุณนัทฐาครับเวลาเราทุกทําไมถึงสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ได้คะถ้าเราไม่ได้สวดมนต์ทุกวันจะเป็นอะไรไหมครับ ก็เพราะว่าเราไม่เราไม่ได้สวดทุกวันนี diary, ่สิพอถึงเวลาจะสวดมันก um, ็สวดไม่ออกมันนักวิ่งอ่ะนักวิ่งถ้าไม่ได้วิ่งทุกวันเนี่ยพอจะออกวิ่งแต่ละครั้งมันจะรู้สึกยากแต่ถ้าเราเคยฝึกวิ่งทั้งวันพอถึงเวลาเราวิ่งมันก็วิ่งได้ง่ายทําอะไรก็ตามถ้าเราไม่ฝึกซ้อมไว้ก่อนพอเราจะมาทําแต่ละครั้งมันก็จะรู้สึกยากแต่ถ้าเราทำอยู่บ่อยๆทําอยู่เรื่อยๆมันก็ติดเป็นนิสัยพอะไรมันเป็นนิสัยมันก็ทําง่าย อะไรที่ไม่เป็นนิสัยนี่นก็จะทำยากยางั้นเราต้องฝึกการที่เรายังไม่โกรธยังไม่ทุกข์เราต้องหัด ส, สวดมนต์ให้มากๆหรือไม่สวดมนต์ก็หัดพุดโทโธให้บ่อยๆทั้งวันทั้งคืนต า, ตามเวลาที่เรามีโอกาสที่จะบริกรรมพุโทโธแล้วสวดมนต์ไปได้อย่ามารอเวลาถึงเวลาแล้วค่อยมานั่งสวดวันนี้นเราควรจะสวดทั้งวันทั้งคืนในช่วงที่เราไม่ต้องใช้ความคิดทำให้ okay, มันเยอะ แล้วพอถึงเวลามีความทุกข์มันก็จะส่วนได้เพราะฉะนั้นเวลความทุกข์ใจมันจะไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์แล้วมันจะทําให้เราหยุดปัญญาแต่ถ้าเรามีเราฝึกพุทโธฝึกสวดมนต์อยู่เรื่อยๆพอเรู้เราเริ่มทุกข์ปั๊บเราก็เริ่มสวดไปหยุดมันได้ทันทีต้องซ้อมไว้ก่อนถ้าไม่ซ้อมแล้วถึงเวลาจะมาหยุดมันหยุดไม่ได้ คุณอั จ, จาราครับเกี่ยวกับชาติภพถ้าเราทําผิดสีห้าข้อใดข้อหนึ่งในชาติภพนี้ภพต่อไปถ้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งสีที่เราเคยกระทําผิดในชาติที่แล้วพบหน้าเราต้องฝึกสีนั้นอีกหรือไม่ครับมันก็มีโอกาสเพราะมันเป็นเป็นนิสัยเราเคยทาอะไรมาเราก็มักจะทําแบบนันินสัยถึงแม่าบาต ท, ที่เราได้ทําไปมันเ ร, เ, รเราไปใช้บาตแล้วในอาบาย แล้วกลับมาเกิดแต่นิสัยที่ทำบาปมัน ม, มันมันมันไม่ได้หายไปกับบาปที่เราทําเครมีนิสัยเคยชอบทําอะไรอย่างไรเคยพูดอย่างไงมันก็ทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นต่อไปแต่ถ้าเรามีสติแล้วเรามีปัญญารู้ว่าทำอย่างนี้ไม่ดีเราก็พยายามฝืนมันพอคิดจะทําปั๊บเราก็หยุด คุณมารีรัตครับการสอนนาธรรมกับพระอริยะเจ้าถือว่าเป็นอันประเสริฐแต่หากฟังเพื่อนถามแล้วเข้าใจได้ปัญญาไม่ต้องถามได้ไหมคะก็ไม่จําเป็นรเราฟังนี่ก็ฟังเพื่อให้เราได้ได้เรียนรู้ถ้าเราไม่มีปัญหาแต่คนนี้ก็มีปัญหาแล้วก็ฟังไว้ก่อนเพื่อต่อไปเรามีปัญหาแบบเดียวกันเราก็จะได้รู้วิธีแก้ได้ ถ้าเราฟังแล้วเรามีปัญหาที่อยู่ในใจแล้ะไม่มีใครถามคาถามนี่เราอาจจะต้องถามเองถ้าเราต้องการคำตอบคุณเฟื่องครับพารสานี้ตั้งใจไปใส่บาตรฟังธรรมพระอาจารย์ทุกๆวันอาทิตย์ค่ะเพื่อไปเอากําลังใจในการปฏิบัติธรรมเจอพระอาจารย์แล้วมีกําลังใจค่ ะ, ะอาจารย์เมตตา ม, มากๆเมตตาทุกคนเลยครับสาธุเป็นโมทนาการทําไว้ทําให้เป็นนิสัย อย่วันนี้ที่เทก็ับเรื่องทานหรือวคนรจะทําทุกวันถ้าทําพราะสมัยนี้เราสามารถทําทานได้ทุกวันเช่นถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปวัดเราอยากจะทําบุญใส่บาแล้วก็เอาเงินที่เราจะไปซื้อของใส่บาศนี้ใส่กระปกไว้ก่อนก็ได้เช่นวันนี้อยากจะใส่บาแต่ยังไปไปวัดไปได้ไม่มีพระมาให้ใส่บาศเราก็เอาเงินที่จะซื้ออาหารใส่บาศนี้ใส่กระปกไว้แล้วก็เขียนไว้ว่าไม่เงินเงินทําบุญห้ามแตะ ถ้าพอเรามีโอกาสไปวัดเราก็วันนี้ไปไปถวายวัดที่ทําทุกวันเพราะมันมันจะทําให้เราทําบุญได้ง่ายทํามันติดเป็นนิสัยถ้าเรานานๆ ท, ทําทีนี่เวลาเราทําเราจะทําทงแล้วทําไม่ได้มากเพราะเราเสียดายเพราะมันเป็เงินก้อนใหญ่นแต่ถ้าเราแบ่งทําวันละนิดวนันละหน่อยพ อ, อหลายเดือนขึ้นมาหรือปีหนึ่งขึ้นมาเนี่โอ้มันเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นมา ถ้ากราได้ทําทํามุนก้อนด้วยเงินก้อนใหญ่ทีเดียว mm hmm. เรื่องทํามุนทําทานถ้าเราเสียได้เงินก็ทําอัดทําทุกวันทําเมื่องต่งางๆจะเอาง่ายๆก็คือเอาเศษเงินที่เราเหลือจากวันนี้อันนี้มีเศษเงินเหลือเท่าไหร่ก็ใส่กระปุกไว้อันนี้มีเศษสตังค์เหลือเท่าไหร่เราก็ใส่กระปุกไว้ทําล็กทาน้อยไปก่อนแล้วเดียเด๋ยวเดือนหนึ่งนี้เศษสตงังค์ก็อาจจะกลายเป็นพันขึ้นมาก็ได้ <c oughs> พยายามทำํำทุกวันถ้ามันจะทํา ง, ทง่ายแล้วมันจะติดเป็นนิสัยพอวันไหนไม่ได้ทำแล้วจะรู้สึกขาดอะไรไปมันจะต้องกลับมาทํานี่การเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีไงหรือปลูกธาต่างทานบาลมีเรียกว่าเป็นการสร้างทานบาลมีคุณชัชวานครับรู้ในรู้ทําอย่างไรครับ ไม่รู้เหมือนกันเราพูดมัหมายความว่าอย่างไงไม่ต้องไปรู้หรอกให้รู้ให้ให้รู้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ดีกว่าเราอยู่กับการกระทําของเราเนื้อใจเราลอยไปที่อให้รู้อย่างนี้ดีกว่าถ้าทําอะไรแล้วใจไปลอยไปที่อืน่นแสดงว่าเราไม่มีสติเราต้องการฝึกสติให้ใจอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือให้รู้อยู่กับพุโทโธ รู้ว่าตอนนี้เราอยู่เรากำลังพูดโทรอยู่หรือเปล่ารู้อย่างนี้จะดีกว่ารู้ไหนรู้นี้ไม่ทํามีความหมายอย่างไรเราก็ไม่เคยพูดคุณองังหุนเปรี้ยวครับเคยมีไหมเจ้าค้าที่เข้าสมาธิโดยไม่ต้องปริกรรมเพราะตัดความคิดที่เข้ามาได้ในทันทีครับได้วิธีเข้าสมาธิถ้ามีสติกําลังมากนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ นั่งหลับตาแล้วก็หยุดความคิดมันก็เข้าสมาธิได้ต้องแต่สติต้องดีหยุดความคิดได้เหมือนเบรกที่ดีเบรกปุ๊บรถหยุดปั๊บเลยก็ได้คุณสุจิตราครับบทติลัคนามิมีคถาตอนท้ายที่ว่าจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่ที่มีน้ำจงละ ก, กามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวล หมายความว่าอย่างไงครับอาจารย์ครับละการก็คือละความอยากในรูปเชิงกลิก่นรสต่าง ๆ, ๆแต่จากที่ไม่มีน้ําำจากที่มีน้ํานี่ไม่ทราบความหมายแตก็ให้ละการก็จะใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับการมาพบแต่ยังต้องไปติดอยู่รูปมาพบกับรูปมาพบ คุณณภ awan ครับปฏิบัติก่อนนอนแล้วจิตตื่นจนเกือบเช้าถึงจะหลับต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ดีเลก็บางคนก็ปฏิบัติในสัตชิกเนี่ยก็ไม่นอนไปเลยปฏิบัติมนทั้งคืนไปเลยยิ่งปฏิบัติมากเท่าไหร่ยิ่งได้ผลมากขึ้นเท่านั้นคุณกวางไปฟังตอนบ่ายบอกว่าท่านอาจารย์พูดว่าสังโยชน์เราถามว่าคืออะไรครับ อ๋อสัมโยต์ก็คือกิเลสระดับพระอริยะไงกิเลสมันมีสองระดับระดับโลกิยากับระดับพระอริยะระดับโลกิยาก็อย่างที่เรามีความโลภอยากซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆ ม, มาใส่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อันนี้เรียกว่าเป็นกิเลสของระดับโลกิยาเราก็เรียกว่าเป็นความโลภความอยากแต่ระดับที่จะทําให้เราเป็นพระอริยะเจ้ า, า, จานี้เราเรียกว่าสัมโยชน์เราต้องละกิเลส ที่มีอยู่สิบตัวด้วยกันถึงยาละถึงยาบรรลุเป็นผ้าอะารได้ถ้าอยากจะเป็นพ้าโสดาบันก็ละกิเลสามตัวละสามโยสสามตัวคือวิจิกัสักญาตทิฏฐิความหลงที่ไปคิดว่าขันห้าคือร่างกายกระจายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วก็ให้ลกละความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมประสงละความลังเลสงสัยในกฎแห่งกรรม อันนี้ก็มันก็จะทาระกสารตัวที่ได้ก็เป็นพระโสดาบันกันมาได้ตอนนี้เรายังอาจจะลังเลยว่ากฎแห่งกรรมมีจริงหรือไม่จริงกรรมบาปเ้าจะไปตกนรกไปอบายจริงหรือไม่จริงเรายังไม่มั่นใจเรายังไม่เห็นกับตาของเราพุทธธรรมพร ะ, พพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าหรือเป็นนิยายแต่งขึ้นมาหลอกให้เรามาทําความดีกันบางคนก็คิดอย่างนั้นน่คิดว่าศาสนานี่ยบางทีเป็นเรื่องของนิยาย เรื่องของความอะไรไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความจริงเป็นเรื่องของการปรุงแต่งกันขึ้นมาหลอกกันเท่นั้นเองแต่ถ้าเราปฏิบัติสิงสมาธิปัญญาเวลาเข้าถึงขั้นระดับผานผ่านสมาธิมีอุเบกขาแล้วเราเข้ามาทางปัญญาเรื่องวิเคราะห์ขันห้าเรา เราก็จะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่ใช่พวกเราแล้วเราก็จะเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงพระผู้ที่สอนนี้ก็คือพระพุทธเจา้าสอนให้เราเห็นว่าอากายรัติถินี้ไม่มีตัวตนนั่งกายไม่ใช่ตัวเราแล้วเราก็จะเห็นว่ากฎาแห่งกรรมนี่คือใจเรานี่แหละเป็นผู้ทําบาปเป็นผู้รับผลของ ข, อง ข, องของึ้นบาปเวลาทําบาปใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมา ควาทุกข์ใจก็เลยวันลลกหรือว่าอบายมันก็จะหายสงสัยมันก็จะอันนี้ก็คือสังโยชน์จะเป็นพระระยะได้ต้องละสังโยชนิสิกแบ่งเป็นสองระดับสังโยชน์เรื่องต่ำหสังโยชน์เรื่องสูงสังโยชน์ตรองต่ำนี่มันเกี่ยวกับร่างกายกายทิฏฐิมัน ก, ก็มันก็เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายกับเวทนาแล้วก็เรื่องของกาง กามาลาค้าก็เกี่ยวกับเรื่องของการขอ ง, งร่างกายอยากจะเสพหาความสุขจากการร่วมเพศกันถ้าละฮะคอนได้ก็จะตัดการที่ทำกับกาเกิดเป็นเป็นมนุษย์การมาเกิดมีร่างกายได้เพราะจะไม่ต้องจะไม่มีความจำเป็นจะต้องมีร่างกายเพื่อเอามาใช้กับการเสพการนั่นเองเกินเลยข่าข้อเราเรียกว่าเป็นสังโยมนั้บมอันนี้ก็เป็นความหลงที่ ที่มีอยู่ในจิตนีหลงกับความสุขของความสงบของสมาธิของรูปฌปานของอรูปฌานไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงหลงกับอัตตาตัวตนแล้วก็หลงกับความทุกข์ความความเพียนบางทีความเพียนที่อยากจะจะทําให้กําจัดสัญญา์ให้หมดไปขุดคุยพิจารณาโดยกิดอาการฟุ่งซ่านขึ้นมา เราอจะรู้ว่าตัววิชานี้เป็นอะไรมันก็พยายามพิจารณาไปเรื่อยๆก็ไม่เข้าใจมันก็บางทีพิจารณาจนเลยเถิดเกิดความฟุ้งซ่านกิกิเดเกิอะไรก็แทัวจากความฟุ้งซ่านของจิตแต่มันเป็นความฟุ้งซ่านระดับอริยะไม่ใช่ฟุ้งซ่านแบบของโลกียะโลกียะจะฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องการไปเที่ยวไปหาเพื่อนไปหาทรัพย์ไปหาอะไรต่างๆของ ของของโลกิยาของอริยานิเขาจะพุ่งเากับการที่จะกำจัดกิเลส ต, ต่างๆที่ยังมีซ่อนนัะนอยู่ในใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวลาถ้าปฏิบัติแล้วมันจะเข้าถึงตัวนี้มานาก็คือความถึงตัวอวิชาก็คือการยังไม่เห็นกิเลตตัณหาตัวที่ละเอียดตัวที่ยังมีซ่อนนั้นอยู่ในจิต พละสญญานยอดทั้งห้าจี้ได้ก็ก็หมดหมดกิเลสหมดหมดกิเลสหมดตัณหาไม่มีอะไรหลงเหนื้อยอยู่ใจก็สาด บ, บอยสุดเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมายุติการเี็นว่าตายเกิดคุณวีรพง์ครับกับเรียนสอบถามพระอาจารย์เกี่ยวกับสีข้อ3ามครับ เพื่อนที่เขาอยู่ต่างศาสนาบอกว่าเขาสามารถมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนสิ่งที่ผมสงสยัยถ้าการมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนแบบนี้ถือว่าผิดศีลข้อสามหรือเปล่าครับอันนี้ถนะ้าเขาว่าผิดชศีลข้อสามก็บอกว่าผิดประเพณีไงถ้าเขาอยู่ในสังคมที่มีเมียได้สามคนมันก็ไม่ผิดประเพณีของเขามันก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้ไปสร้างบาปไม่ได้ไปทําให้ภรรยาเสียใจนะเพราะภรรารู้ว่าสามีมีสิทธิ์ที่จะมีเมียน้อยได้อสองคน แต่ถ้าอยู่ในสังคมที่มีผัวเดียวเมียเดียวนี่มีแอบมีเมียอีกคนนี่นพเนียยลวงลูกเขานี่โกรขึ้นมาอาจจะฆ่ากันได้ก็ผิดประเพณีคุณวีนาครับเรียนถามพระอาจารย์ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ทำไมมนุษย์คนเราจึงอยากมาเกิดอีกครับเพราะอยากจะมาหาความสุข จากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้คือราบยศแสนรื่นสุขนั่นเองแล้วก็มักจะไม่ไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนคิดว่ามันเป็นสิ่งถึงไม่แน่นอนก็พยายามที่จะทําทให้มันแน่นอนและบางทีก็ทําได้ในระยะหนึ่งก็เลยพอใจแต่งงานได้กันสักสิบปีหรืยี่สิบปีก็ก็ยังดีกว่าอยู่คนเดียวเพามันเหงาใช่ไหมแต่มันจะไม่แน่นอนวันดีเกินดีเลารียสามีอาจจะตาจากกันไปก็ได้ มันก็ยังดีกว่าอยู่คนเดียวอยู่กับความไม่แน่นอนก็ยังดีกว่าถ้าจะมาทุกข์ในภายหลังก็ค่อยว่ากันมาก็ค่อยว่ากันถ้าไม่เข็ดนะบางคนเข็ดก็จะไม่มีดีกว่าคุณประชาครับพอเข้าใจว่าทุกอย่างอานิจจังเกิดจากเหตุปัจจัยไม่เที่ยงไม่มีตัวตนจริง มีสิ่งเดียวที่ไม่อนิจจังคือนิพพานถูกต้องไหมครับนิพพานนี่มันไม่ได้อยู่ในอยู่ภายใต้กฎของอนิจจงแ ม, ม่อนิจจ์ก็ไม่ต้องพูดถึงมันนิพพานก็คือนิพพานคุณมะลิครับ ถามเาพระอาจารย์ว่าเดินจงกรมโดยไม่บริกรรมพุทโธไปพร้อมกับฟังธรรมไปด้วยจะส่งผลเสียต่อการเจริญสติหรือไม่เพราะช่วงนี้ฟุ้งซ่านมากเดินหรือนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่สงบเลยครับเดินฟังธรรมไปก็ได้ฟังธรรมอย่างเดียวไปก็ได้ถ้าเรามีสติอยู่อาการฟังธรรมการฟังทําว่าสามารถทําใจให้สงบได้ในระดับ คุณเฮียเริเรงครับค่ะาพระอาจารย์ครับเวลานั่งภาวนาเวลาจิตไปเผลอไปคิดจึงบริกรรมพุโทโธทีทีแต่ไปขัดกับลมหายใจเลยทําให้จิตไม่สงบควรที่จะกําหนดลมหายใจอย่างไงครับไม่ต้องกำหนดเลยกำหนดแต่พุโทโธอย่างเดียวก็พอเรื่องเราอย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องจําเป็นจะต้องมาผูกกันไว้ด้วยกันอาญาพุโทโธทีทีก็เท่นุ่งไปเลยให้กอดติดอยู่มาพุโทโธอย่างเดียวเพื่อการความคิดไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้าพูดโทรไปแล้ ว, ล ว, ลว เ, เนี่ยเราตื่นด้วยไม่อยากจะพูดโทรแล้วรู้สึกว่าสามารถดูลมได้ก็เปลี่ยนมาดูลมอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องพูดโทรก็นดคุณอัมภัยครับขอโอกาสกลับเรียนถามเรื่องการที่ให้บุพการีซึ่งมีอายุมากแล้วต้องมีส่วนดูแลลูกที่เจ็บป่วยอยู่ช่วงเวลาหนึ่งจนลูกแข็งแรงผู้เป็นลูกควรจะทําอย่างไรดีและจะเป็นบาปไหมคะ ถ้าเราไม่ได้เป็นการไปขอไปบังคับท่านก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่บาปถ้าท่านทําด้วยความเมตตาก็ถือว่าเป็นบุญอยู่ท่านที่ท่านยังมีความเมตตาก่อเราเลี้งดูเราดูแลเราอยู่ท่านก็ได้บุญท่านได้ท่านได้ถ่ายเมตตาท่านได้ความสุขจากการแผ่เมตตากรุณาคุณโยโย่ครับ กลับขอแนวทางจากพระอาจารย์ครับตอนปกติก็พยายามคิดทำใจรับความเปลี่ยนแปลงแต่พอถึงเวลาเจอเข้าจริงสอบตกครับจิตใจหวันไหวมากกราบขอแนวทางฝึกฝนครับรเราไม่สงบพอไม่นิ่งพอนั่นเองเราพยายามต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้มากๆเพื่อทําใจให้นิ่งถ้าใจรเราเราสามารถทําใจให้นิ่งแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็ทำใจให้นิ่งไปนั่นเองถ้าไม่ยอมนิ่งเราก็ใช้พุทโธพุทโธอย่างที่เราฝึกมา มันก็จะทำใจให้เราเนี่นเชเฉๆได้คุณเที่ยวไปเรื่อยครับแต่ตั้งใจหาเงินให้ได้เยอะๆทำให้ใจเครียดสับสนวุ่นวายพอนึกถึงเทศของพระอาจารย์ทำไปแล้วก็ตายของทุกอย่างบนโลกเอาไปไม่ได้ก็เลยต้องเลิกความคิดที่จะหาเงินให้ได้เยอะๆทุกทีแบบนี้คิดถูกไหมครับถูกแล้วก็หาไปตามกำลังของเรามัชิม า, มาคือไม่มากเกินไปไม่น้อยกนไปตามกลัง รายได้เท่าไหร่ก็อยู่ในใช้ใจ่ายในอยู่ในกรอบของรายได้ที่เราได้มาเพราะสิ่งที่เราต้องใช้ก็มีแค่ปัจจัยสี่นั่นที่จําเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมีน้อยก็ใช้น้อยใช้ของถูกได้มันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันเสื้อผ้าราคาห้าร้อยกับเสื้อผ้าราคาห้าพันมันก็ทําหน้าที่ของเสื้อผ้าได้เหมือนกันงั้นเราต้องรู้จักการบริโภคเราต้องรู้หลับ มากน้อยสัมดุลใช้น้อยๆใช้อย่างประหยัดแต่ไม่ให้ประหยัดจนกระทั่งมันขาดแคลนมันไม่พอเพียงต้องใช้ให้มันพอเพียงแต่ประหยัดไม่ต้องฟุ่ไม่ต้องฟุง่มเ ฟ, ฟือยไม่ต้องใช้ของแบรนด์เน่ไม่ต้องใช้ของหรูหรามันก็ทําหน้าที่ของมันได้ถ้าเราทํอย่านี้ได้เราก็จะไม่เครียดกับการหาเงิน คุณวันเพนครับการเรียนรรพระอาจารย์เรื่องการเจริญสติฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบเมื่อจิตคุ้นชินจะช่วยให้ความรู้สึกสุดท้ายก่อนตายคุมจิตให้น้อมนำไปสู่พบภูมิที่สูงได้รู้เข้าใจถูกไหมเจ้าคะก็น้ำไปตามกำลังที่เราได้ฝึกจิตมาจะสูงกอต่างก็อยู่ที่กำลังของการฝึกฝนของเรามนการัาเตรียมทาข้อสอบของเราเราเตรียมทำข้อสอบได้ ได้ในระดับไหนพอถึงเวลาทาข้อสอบเราก็จะรู้ว่าเราทาได้กี่ข้อรู้สึกตอนนี้เราดีเลยมากกว่าเมื่อก่อนนะรูนน้สึพูดได้กว่าคุณหมอจะได้ยินตอบกับมานะช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอเคคุณมารีรัตครับก่อนนี้โยมไม่รู้ว่าการที่ทราบพระกับ การที่กราบพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิเดีบชอบเพื่ออะไรแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ได้ให้เข้าไปขอาหัวเป่ากระหม่อมแต่ให้ไปรับฟังธรรมจากท่านเจ้าค่ะใช่การก็าหาพระสุปฏิปันโนเขาว่าเพื่อไปศึกษานับถือท่านเป็นเหมือนครูอาจารย์ให้ท่านสั่งสอนธรรมะซึ่งเป็นวิชาที่คนจะรู้ยากบีน้อยต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้น คุณอ้อนครับขออนุญาตสอบถามครับเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดทุกขเวทนามากพยายามต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวดไปสักพักแต่สุดท้ายก็ยอมแพ้เพราะไม่มีสติเลยทำให้ออกจากสมาธิด้วยอารมณ์ว่าเราล้มเหลวเราไม่สามารถอดทนจนผ่านมันไปได้ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกมีความสุขเหมือนกับตอนที่เรานั่งไม่นานแต่ว่าไม่เจ็บปวดทรมานก่อนออกจากสมาธิรู้ควรจะปฏิบัติอย่างไรหรือวางใจอย่างไรดีคะนูว่าคนที่จะ โทษเหตุของหนูเหตุที่ทําให้หนูไม่สามารถผ่านได้ก็เพราะหนูขี้เกียจเพราะเจริญสตินั่นเองถ้าหนูเจริญสติยันเจริญสติตั้งแต่เรียมตาขึ้นมาเลยมเมืต่นขึ้นมาก็พุโทโธเลยช่วงที่หนูเตรียมตัวไปทํางานที่มีเวลาเจริญสติได้เป็นชั่วโมงข้าห้องน้ำอาบน้นล้างหน้าแปลงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับทานอาหารนี่ช่วงนั้นสามารถเจริญสติได้แต่ก็ไม่เจริญ ถ้าพอจะมานั่งสมาธิจะมาเจริญตอนหนั่งสมาธิสติมันก็มีกําลังไม่มากพอที่จะผ่านความเจ็บปวดได้นั่นเอง น, นลองไปฝึกสติให้มากๆเถอะแล้วรับประกันหน้ว่าเนั่งสมาธิแล้วจิตจะสงบได้แล้วถ้าเจอเจอความเจ็บปวดก็จะผ่านไปได้อย่างง่ายดายคุณมะลิครับ เวลาเดินจงกรมโดยบริกรรมพุโทโธเราต้องรู้สึกที่เท้าที่สัมผัส พ, พื้นแต่ละก้าวด้วยหรือไม่หรือแค่พุโทโธไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องรับรู้สัมผัสดใดๆครับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะรับสัมผัสจะได้จะว่ารูพุโทโธอย่างเดียวก็ได้คุณวุฒิชัยครับเมื่อเรารู้ว่าผู้อื่นทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคดโกงผู้อื่นและทําธุรกิจผิดกฎหมายโดยเรามีหลักฐานชัดเจน สามารถส่งแจ้งดำเนินคดีได้ซึ่งเราเคยเตือนเขาแล้วว่ามันผิดหากเราแจ้งเรื่องนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีจับถือว่าเราไม่มีเมตตาและจะมีเวรกรรมต่อกันไปหรือไม่ครับหรือควรปล่อยไปจนกว่าเขาจะได้รับผลเองครับก็ขึ้นอยู่ที่เราว่าเราต้องการผลอย่างไรถ้าเราทำเขาเขาก็อาจจะโกรธเกลียดเราฆ่าพยาบาลเราว่าเราไปดำเนินคดีจับแล้วจับเขาติดคุกติดตาราง เขาติดคก ต, ติดตารางเขาอาจจะโกรธเกลียดเราถ้าเขาออกจากคุก ม, มาเขาก็อาจจะมาล้างแค้นเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้คือเราก็อปฏิวัติคือเราไปสร้างเวทสร้างกรรมกับเขาแล้วเี่ต่อไปเขาก็จะเป็นเจ้ากรรมในเวทเราถ้าเราไม่้องการมีเจ้ากรรมในเวทแล้วก็เฉยเฉ้ไปปล่อยให้มันเป็นไปตามตามดูตามกรรมของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเลือกเลือกตัดสินใจ ถนชีวิตบางทีมันต้องมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องใช่ไหมบางทีเป็นหน้าที่การงานของเราเราต้องรักษาผลประโยชน์แล้วก็อาจจะต้องจัดการกับคนเหล่านี้แต่ถ้าไม่ต้องถึงขั้นไปฟ้องร้องให้เขาติดคุกติดตลาดยังมากก็คุยกับเขาดีๆแล้วว่าคุณอยูอ่เราไม่ได้แล้วนะเพราะมันท่านทางเสียหายกับเราต้องให้คุณออกจากบริษัทไปอย่างนี้มันก็ยังจะดีกว่าที่ไปจับเขาเขา้าคุมเขา้เข า, ขาตลาดแต่ถ้าจําเป็น ต้องทำดำเนินคดีคุณก็ต้องยอมรับผลที่คุณกระทำไปกับเขาทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคุณอนงนาศครับบอกว่าเมื่อก่อนอยังไม่ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์กลัวความตายแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับก็นี่ยเวลาต้องไปพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงตอนนี้ยังไม่เจอความตายคือที่เราไม่กลัวนี่คือเราไม่กลัวความคิดที่ว่าเราจะตาย แต่เวลาที่ไปเจอความตายจริงๆใกล้จะตายจ ร, จริงๆนี่มันจะกลัวหรือไม่กลัวนี้เราอาจจะต้องไปพิสูจน์ดูเช่นไปอยู่ที่เปลี่ยวเช่นไปอยู่ในปา่าในเขาคนเดียวถ้าเกิดมีอะไรมีภายอะไรเข้ามาใกล้ตัวเราเราดูว่าความกลัวตาย ม, มันยังมีอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นการพิสูจน์ที่แท้จริงต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติพิสูจน์ด้วยความจินที้มันยังเพ่งในเครื่งเดียว ใช่แล้วเมื่อก่อนเราคิดถึงความตายแล้วเราก็กลัวขึ้นมาแต่ละนี้พอเราคิดถึงความตายเราไม่กลัวแล้วแต่มันไม่ได้มาเข้าความกลัวความกลัวนี่มันหายไปถ้าอยากจะรู้มัญหามันหา ย, หายต้องไปเจอเหตุการณ์ที่ทําให้ท้าทายกับความเป็นความตายดูแล้วดูว่าความกลัวมันจะโผล่ขึ้นมาหรือไม่หรือว่าเราเฉยๆไม่เยือนรอนตายก็ตายสิถ้ายานี้นเราก็จะมั่นใจ คุณนทักษพักครับกราวพระอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามพอดีผมติดในเรื่องบูชาวัตถุมงคลติดตัวไปถ้าไม่ได้บูชาติดตัวแล้วเหมือนไม่มั่นใจเลยนะครับตรงนี้เราอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าการบูชาวัตถุมงคลถือว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่งไหมครับใช่มันเป็นมันเป็นการพึ่งพานในสิ่งที่มันไม่ได้ทำที่เราเพึ่งไม่ได้เราจะเป็นยะตายวัตถุมงคลห้ามห้ามไม่ได้ช่วยเราไม่ได้ ในวิธีที่จะแก้คือวันใดตั้งตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้จะไม่มีวัตถุมงคลสักวันหนึ่งยอมยอมตายวันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ยอมให้มันเกิดขึ้นดูมันดูมันจะเกิดหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่เ ป, เป็นความคิดอุปทานของเราว่าถ้าเราไม่มีวัตถุมงคคลติดตัวไปแล้วจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเราก็ลองถ้าเราอยากจะเริ่มพึ่งวัตถุของคลก็เราก็ลองวันใดวันหนึ่งลอง ลองทดทดลองใจเราดูว่าวันนี้อาจจะไม่สายอะไรไปกับเรานะ้อาจจะเกิดขึ้นก็ยอมรับผมว่ามันเป็นกฎเป็นเรื่องของกรรมของเราไปแลบางทีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแนละ้วเราจะรู้ว่าอ่อต่อไปเราก็ไม่ต้องอาศัยวัตถุของคนเป็นที่พึ่งต่อไปคุณแพทย์คับ ทำใจให้ยอมรับและทนกับความเจ็บปวดจากความเสื่อมของร่างกายได้อย่างไรคะและคำกล่าวว่ามีความเจ็บแต่ไม่มีผู้เจ็บทำอย่างไรจะไปได้ถึงตรงนั้นครับก็ต้องหัดอยู่กับความเจ็บให้ได้นั่งสมาธิแล้วเวลาเจ็บก็อยากขยับแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางความเจ็บให้ใจหัวใจไม่เจ็บร่างกายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บใจเป็นคนละคนกับร่างกาย และวิธีที่ทำใจให้ให้ปล่อยก็คือเราต้องใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจไปอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะเวลาใจเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปใจจะทรมานมากเราจะทนจะทนจะทนอยู่กับความเจ็บไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมใจไม่ให้มีความอยากให้ความเจ็บหายไปความทรมานของใจก็จะไม่เกิดเมื่อไม่มีความทรมานใจก็จะอยู่เฉยๆอยู่ความเจ็บได้ ต้องฝึกอย่างนี้แล้วต่อไปเราเวลาเกิดการเจ็บค้าวหนักป่วยเราก็จะเฉยเไม่เดือดร้อนคุณปาิชาต์ครับวันนี้หนูได้มีโอกาสสนทนากับพี่สาวและเขาได้กล่าวว่าคุณตาที่เสียไปแล้วไปทิศทางที่ไม่ค่อยดีทั้งทั้งที่ไม่มีมูลเหตุและไม่เคยมีเรื่องนั้นเกิดขึ้นเช่นว่าคุณตาอาจจะเจ้าชู้มีผู้หญิงอื่นทั้งทั้งที่คุณตาไม่เคยมีหนูเล่เตือนไปว่าอย่าไปว่าท่านเลยเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ จะไปว่าท่านทําไมเคยมีพระสอนว่าอย่าได้ไปวิจารณ์ใครเลยเกิดท่านเป็นพระอาหารหันเราจะบาปพี่สาวตอบกลับว่าคุณตาไม่มีทางเป็นพระอาหารหันและพระก็ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้จริงๆเสียหน่อยหนูก็เลยเงียบจริงๆหนูอยากทราบว่า ก, นนก็เป็นเรื่องของคุณตาไปเนี่ยเราถ้ามันเป็นก็เป็นมันไม่เป็นก็ไม่เป็นมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราไปเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของคุณตาไม่ได้ ก้าคุณตาบาปไว้คุณตาเราต้องไปรับผลบาปของคุณตาไม่ช้าก็เลยถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ไ ม, ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่ต้องไปรับผลบาปแล้วเป็ น, นต้องไปพิพาควิจารณ์ให้เสียเวลาพิพาควิจารณ์เรื่องของเราดีกว่าว่าตอนนี้เราทำบาปหรือเปล่าถ้าทำบาปยิรีบหยซะเพราะเดี๋ยวแล้วบาปที่เราทำนี่มันมีผลต่อเราโดยตรงไม่เกี่ยวกับคนอื่นมาแก้ บ, บาปของเราดีกว่า อย่าไปกังวลเรื่องบาทของคนอื่นเราไปทําอะไรไม่ได้แก้ให้เขาไม่ได้คุณชนิตาครับทําธุรกิจครอบครัวน้องชายสองคนไม่ค่อยทํางานเป็นภาระแม่เป็นใหญ่ในธุรกิจปล่อยให้น้องเอาเปรียบหนูได้พูดคุยก็เท่านั้นท้อชีวิตมากควรวางใจอย่างไรทําอย่างไรให้มีใจมุ่งมั่นไม่ต้องสนใจพวกเขาคะ่็เราคิดว่าเราเป็นเป็นคนลูกจ้างไปนี้กหมดเรื่องแล้วไม่ใช่เป็น ลูกสาวของเจ้าของบริษัทเราเป็นลูกจ้างเขาจ้างเรามาก็าให้เงินเดือนเราเราก็พอใจแล้วก็ทําไปตามตามหน้าที่ของเราว่าส่วนเจ้านายลูกของเจ้านายเขาจะทําไม่ทําก็เรื่องของเขาไปในการวางตัวของเราให้วางให้มันถูกจุดเราไปวางผิดจุดเราไปวางว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทเป็นลูกของเจ้าของบริษัทนั้นลู ก, กเราทําเท่าไหร่ไอคนลูกอีกคนก็ต้องทําเท่ากับเราซึ่งคนเราไม่เหมือนกันใช่ไหม บางคนก็ขยนันบางคนก็ขี้เกียจเราก็ไปทุกข์กับเขาโดยใช่เหตุเป็นทุกข์กับเขาทำไมเขาจะขยันก็เรื่องของเขาเขาจะขี้เกียจก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่ทำํำเราก็ทําของเราไปทั้งนีนง้มันก็จบคุณเอกชัยครับกราฟเรียนสอบถามครับในอดีตที่ผ่านมาผมได้ทําสิ่งที่เป็นอกุศลมากไม่เคยมีความเกรงกลัวต่อบาป บุญไม่ค่อยเข้าวัดฟังธรรมใช้ชีวิตลุ่มหลงในอบายและทําให้ชีวิตต้องประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งจนต้องเสียเงินเสียทองไปไม่น้อยพุกทั้งปวงในใจแต่ปัจจุบันผมคิดได้เริ่มฝึกฝนจิตใ จ, จตนเองให้ทําแต่สิ่งที่เป็นกุศลละการทําบาปทั้งพวงรักษาศีลห้านในตลอดช่วงเข้าพรรษาผมขอคนอุบายในการฝึกจิตให้มีความก้าวหน้าในทางธรรมครับก็นอกจากการรักษาศีลแล้วสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือการภาวนาน ภาวนาเบื้องต้นก็ทําสมถะภาวนาทํ า, า, ว า, ว า, าทใจให้สมมงบคือการฝึกสตินั่งสมาธิแล้วก็พยายามฝึกสติพยายามใช้คําบริกามพุโทโธคอยควบควมุมความคิดหยุดความคิดไม่ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดอะไรก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันแล้วถ้าเรามีเวลาว่างก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปมากน้อยเท่าไหร่ก็ทําไปตามกวามนิของเรา อยากอากน้อยต่อไปมันก็จะนั่งไดมากขึ้นหนาขึ้นไปเองแล้วส่วนทางด้านปัญญาเราก็พยายามจะเข้ามาฟังเทศเททน์ธรรมทอนทนาธรรมหรือเปิดหนังสือธรรมะอ่าถ้าเราอยากจะรู้ธรรมะเรื่องไหนข้อไหนก็เข้าไปเสิร์ชใน Google ก, ก็ได้อย่างเรื่อว่านิจกรเป็นยังไงก็เข้าไป เ, เขียนคว่านิจกรรอยากจะรู้งว่านั่ ง, างาตากเราสามารถศึกษาธรรมะได้ใกลเกิดปัญญาขึ้นมานี่คือการ การพัฒนาฝึกจิตใจใ ห, ให้สูงขึ้นให้ฉลาดขึ้นคุณสมพร้อมครับคนที่นับถือศาสนาอื่นๆมีทางที่จะบรรลุธรรมแบบในพระพุทธศาสนาไหมครับศา ส, สนาอื่นเท่าที่ได้เห็นมาส่วนใหญ่เขาก็สอนให้ระดับทานกับระดับศีลส่วนระดับแล้วก็ระดับบางศาสนาก็สอนระดับสมาธิด้วยให้เข้าฌานได้ แตไม่มีศาสนาในสอนระดับอริยะระระระรโลกุตระธรรมอันนี้มีแต่พพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนเป็นความรู้เฉพาะของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวคุณวัสนาครับนอนไหลาตายเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายถ้ากุศลถึงพร้อมแล้วก็ไม่น่ากังวลคิดแบบนี้พอจะอุ่นใจให้นอนได้ไหมครับ ก็ถามตัวเราเองดู <laughs> คุณประชาครับคนที่ทําให้ตัวเราโกรธทำให้เราไม่ชอบตัวเราอยากจะสั่งสอนอยากจะลงโทษเขาและคิดว่าถ้าไม่ทําอะไรเขาจะทําอย่างเดิมอีกแบบนี้ทางธรรมควรปฏิบัติอย่างไรดีครับเราทำต้องม า, มาโทษตัวเราเองโทษสาเหตุที่ทํำให้เราโกรธเหตงที่ทําให้เราโกรธก็คือความอยากของเรา อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยาให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทําก็เลยทําให้เราโกรธพอเราโกรธแล้วเราก็อยากจะไปจัดการกับเขาัตนถ้าเราไม่โกรธเราก็ปล่อยเขาเฉยๆได้ใช่ไหมเขาคิดดูคนในโลกนี้เขาทาอะไรไม่ดีต้งเยอะแยะแต่เราไม่ไปโกรธเขาใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาไม่ต้องไปจัดการอะไรกับเขาแต่พอเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นไปแล้วตามที่เราอยากแล้วก็โกรธแล้วก็อยากจะไปจัดการกับเขาทันที ย่งเรามาแก้ที่ตัวเราดีกว่าอย่าไปแก้ที่คนอื่นเลยแก้ไม่ไหวหลักคนอื่นมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านจะไม่แก้ไว้เลยเดี๋ยวเจอคนนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเพราะเาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการแล้วก็โกรธเขาต้องไปจัดการเขามแก้ที่เราคนเดียวดีกว่าหยุดความอยากในใจเราให้ได้หยดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เขาจะเป็นงานก็เรื่องของเขาไปมันก็จบไม่ต้องไปแก้ไขถ้าเราแก้ที่ตัวเราคนเดียวได้ พอเราไม่มีความโกรธแล้วเรามันอยู่อย่างสบายแล้วเราก็ไม่ต้องไปทํำเลยที่เราต้องไปทําเพราะาคิดว่ามันเป็นการระงับความโกรธของเรากำจัดความโกรธของเราไม่ระงับหรอมันไม่สร้างเวนสร้างเกลียวให้มากขึ้นให้เกิดความโกรธเพิ่มใหม่มากขึ้นไปนแก้ที่ตัวเราโทษที่ตัวเราโทษตัวเราว่าเนี่ยโทษกิเลส ข, ของเราโทษความอยากของเราที่เป็นตัวปัญหา mm hmm. เหมือนอคุริมาที่พระเจ้าสอนที่ไปฆ่าคน เพิ่มค่าแล้วตัวเองจะได้บรรลุธรรมพระเจา้าบอกเธอฆ่าผิดตัวครัเธอต้องมาฆ่ากิเลสของเธอเพราะตัวที่เป็นปัญหาที่ทําให้เธอโกรธที่ทำให้เธอไม่มีความสุขนี้ก็คือความอยากของเธอเองพ อ, พอรู้ว่าต้องกลับมาฆ่าเอามาฆ่าความอยากความโกรธหายไปหมดความความทุกข์หายไปหมดก็เหลือแต่ความสุขก็เลยไม่ต้องคิดไปฆ่าใครไม่ต้องไปเปลีไปไ่ยนแปลงใคร คุณกู o มอร์นิ่งครับคนอื่นชอบเข้ามายุ่งวุ่นวายเรื่องส่วนตัวทําให้รู้สึกหงุดหงิดโมโหแบบนี้ควรต้องทําอย่างไรครับเราก็ต้องอยอมรับว่าเราอยู่กับคนมันก็ต้องก็ต้องมีการมีการเกี่ยวข้องกันเขาก็เหมือนเราเราก็อยากจะไม่ยุ่งกับเขาเขาก็อยากจะไม่ยุ่งกับเรานถ้าถ้าไม่อยากให้เข้ามายุ่งกับเราก็พยายามอยู่คนเดียวอยา่าไปเกี่ยวข้องกับใคร ถ้าจะเกี่ยวข้องกับใครต้องทําใจว่าเราห้ามเขาไม่ได้อย่าไปอยากให้เขามาม่มายุ่งวุ่นวายกับเราเราก็ทําทําใจใเฉยๆไปไปล่อยให้เขาพูดไปวุ่นวายไปเราปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปหลบได้ก็หลบไปถ้าหลบไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องทําใจคุณราวน์ครับ การสวดมนต์ถ้าเราท่องโดยการใช้หนังสือตลอดจะได้บุญไหมครับเพราะจําไม่ได้ครับก็มันจะไม่ดีเพราะว่าการดูหนังสือนี่มันก็จะทําให้เราเวลาที่เราก็อยู่ที่ที่เราไม่สามารถดูหนังสือได้เราก็จะสวดไม่ได้เพราะการสวดนี่บางครั้งเราจะต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจะไปคว้าหาหนังสืออะไรมาสวดงั้นอยู่ที่ความเกียติใช้ของเรามากกว่าถ้าเราอยากจะ จดจําจริงๆอะไรจดจําได้แล้วขยันสวดไปเรื่อยๆแล้วหัดจดหัดจำไปเรื่อยๆอาจจะจําไปเท่าแลกเท่าน้อยทีละทีละทีละเขาเรียกอะไรทีละบทแล้วไม่ต้องไม่ต้องสวดทั้งจําไม้ทั้งหมดทีเดียวเอาทีละบรรทัดสองบรรทัดไปก่อนทําถัดจดจําไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆต่อไปแล้วก็จะจําได้ เราเาจะได้ไม่ต้องพึ่งหนงสอแล้วถ้าเกิดสายตาเราไม่ดีเราก็จะลําบากเรยียนพยายามเอามาห้อมอยู่ในใจเราให้ได้จะดีกว่าเอาบทสวดมัองงอกอยู่ในใจแล้วเราสามารถสวดได้ทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ที่มืดที่แจ้งเราก็จะสวดได้แต่ถ้าต้องแตถ้าเราอาศัยหนังสือนีมันก็มีข้อก้มีขีดจํากัดคนจะได้คนจะ ควรจะอย่าไปอาศัยหนังสือส่วนอาศัยตอนต้นถ้าเรายังจําไม่ได้แต่เราต้องมา ห, าหาัดจดจําให้ได้พอจดจำได้แล้วเราก็สบายคุณเทพรักษาครับวิญญาณรู้กับธาตุรู้ต่างกันอย่างไรครับคือคําว่าวิญญาณนี่มันมีสองความหมายนะวิญญาณที่เป็นท่านท่านรู้เราก็เรียกว่าวิญญาณ เช่นเวลาที่ร่างกายตายไปธาตุรู้นิยกออกจากร่างกายอยู่ตามลำังแล้วก็เรียกว่าดวงวิญญาณถ้าเราถ้าพูดถึงดวงวิญญาณนี้เราหมายถึงตัวธาตุรูปแต่ถ้าเราถ้าเราพูดถึ ง, ญญถงวงิญญาณที่ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นวิญญาณที่อยู่ที่เป็นนามขันของที่อยู่ในธาตุรู้อีกทีนึงเป็นส่วนประกอบของนั่นเป็นความสามารถของธาตุรู้ที่จะสามารถเชื่อมต่อกับตาหูจมูกนิ้วกายของร่างกายได้ แล้ก็เป็นรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกเล่นกายอันนี้กีกวาวิญญาณนักขันซึ่งมีอยู่ห้าห้าห้าาด้วยกันทางตาหูจมูกเล่นกายอันนี้ก็เป็นวิญญาณนกันแต่วิญญาณนักขันจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณจักขุวิญญาณก็วิญญาณที่รับรู้รูปที่เข้ามาทางตาโสตะวิญญาณก็รับรู้เสียงที่เข้ามาทาง อันนี้ก็เป็นวิญญาณในขันเราเรียกวิญญาณในขันนะส่วนตัวธาตุรู้เองเวลาที่ไม่ได้ไม่ได้เชื่อมติดกับร่างกายแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากจิตใจแล้วก็เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณไปเวลาคนตายเวล้าดวงวิญญาณก็แยกออกจากร่างไปคุณจ่าครับ กรธรรมสถารพระอาจารย์ครับขอถามคําถามแทนคุณแม่ถ้าคุณแม่ต้องพบปะกับคนที่ทําดีกับเขาเฉพาะเวลาที่อยู่ในกลุ่มคนแต่พอที่รับหลังคนอื่นเขาทํากริยาไม่ดีใส่ไม่พูดด้วยเป็นต้นถ้าเลี่ยงไม่ได้ไม่เจอไม่ได้คุณแม่ควรวางใจอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์ครับก็ให้ลูกเขารู้รู้เรา ว, าว่าเขาเป็นคนอย่างนี้ไงเขาเป็นคนย่าไหว้หลังเรล้วเราก็ค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงแล้วเราเราอยากไปหวังอะไรจากเขาที่เขาไม่เป็น เขาต่อหน้าเราเข้าว่ายกันดีก็ดีดีกว่าเ้าด่าเราให้คิดอย่างนี้ก็ยังว่าเราอย่างนี้อย่างดีแล้วหลังเขาจะเราเขาจะไปยินทาเราก็เรื่องของเขาถ้าเราไม่ได้ยินเราไม่รับรู้เราไม่รู้เรื่องเราจะไปโกอธเขาทําไมอาจะไปเสียใจทําไมถ้าเราเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่าไปหวังว่าขาจะต้องเป็นคนอซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าและรอบหลังซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนี้เหมือนกับเขาเป็นกล้วยอย่างเงี้ อย่าังไปอยากให้เขาเป็นมรกร อ, อย่าเงี้ยก็เป็นไปไม้ได้เขาเป็นกล้วยก็ยอมแล้วว่าเขาเป็นกล้วยไปเท่นี้อย่ากไปอยากให้เขาเป็นมรกรแล้วเราก็จะไม่ถูกใจกับเขาคุณเที่ยวไปเรื่อยครับการบวชเพื่อออกปฏิบัติธรรมก็คือการเตรียมตัวตายก่อนตายใช่ไหมครับโดยไม่ต้องรอให้แก่ชราซะก่อนถือเป็นการไม่ประมาทแล้วใช่ไหมครับ อันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งการบวชจริงๆที่ปัิบัติธรรมนี่ก็เพื่อให้เราละทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่มีอยู่ในโลกนี้ไปให้หมดรวมทั้งร่างกายรวมทั้งเวทนารวมทั้งจิตที่ยังติดอยู่ในในโลกของสมุทติอยู่ให้ปล่อยวางให้หมดคุณพิติยาครับถ้าสิ่งที่เกิดกับจิตเราควบคุมไม่ได้เหมือนฟ้าผ่าเป็นอนิจจังอนัตตา ถ้าเช่นนั้นจิตก็เหมือนจะไม่ใช่เราแล้วจิตคืออะไรคะก็จิตก็คือผู้รู้ธาตุรู้ธรรมชาติที่รู้ที่คิดได้ที่มีความรู้สึกนึกคิดด้วยแต่ก็ไม่ใช่มีตัวตนในมี ม, มีมีการคิดแต่ไม่มีผู้คิดมีการรู้แต่ไม่มีผู้รู้นี่คือความจริงของจิตเป็นอย่าง คุณสงพร้อมครับวัตถุมงคลที่พระเกจิอาจารย์ท่านทําพิธีเอาไว้ให้ท่านสิ้นไปนแล้ววัตถุมงคลที่ท่านทําพิธีไว้ให้อยังคงอนุภาพเข้มขังเหมือนตอนที่ท่านอยังมีชีวิตอยู่ไหมครับไม่มีเลยท่านขนาดมีชีวิตอยู่ไม่มีชีวิตอยู่วัตถุมันจะมอยู่ความขังได้อย่างไงความคขังอยู่ที่กรรมอยู่ที่การกระทําของเราทําดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่ออันนี้ของขัง ครื่องมือของขังวัตถุ่ะวัตถุมันจะมาทําให้เป็นของขังมันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นความเชื่อเท่านั้นเองคุณธนวันครับอานิสงส์ของการทําทานและรักษาศีลห้าอย่างสม่ําเสมอคืออะไรเจ้าคะคือตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเปตกนรกตายไปก็จะไปไปเป็นเทวดา คุณนักกรีครับการที่เราพุทโธพุทโธดูกายเปรียบเหมือนการซ้อมสติเพื่อสร้างสมาธิเพื่อนำไปใช้รู้สิ่งที่ละเอียดกว่าภายในตนเองคือเห็นความคิดและกิเลสถูกต้องหรือไม่ครับโปรดอธิบายชี้แน่ด้วยครับรอาจารย์เื่อถ้ามีสติเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวต่างๆได้ชัดเจนขึ้นเวลาที่ใจเราคิดอะไรเราก็จะเห็นมันเร็วขึ้นชัดขึ้น เราก็สามารถแก้ไขได้ขณะที่มันคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็ยับยั้งมันได้หยุดมันได้คุณเอล่าครับอาจารย์ศาสตราจารย์ขอถามว่าไม่เวลาไม่สบายเคยได้ฟังคําสอนว่าให้แยกกายออกจากจิตว่ากายที่ป่วยจิตไม่ได้ป่วยจะแยกอย่างไรคะเพราะความรู้สึกคือเวียนหัวไม่สบายกระวนกระวายท้องพุดโธแต่ก็ยังรู้สึกไม่สบายกระสับกระส่ายต้องทําอย่างไรครับ เราต้องฝึกยกก่อนที่เราสบายสถ้าตอนไม่สบายถ้าเราถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนเราก็ทําไม่ได้ตอนนี้เราสบายเราลองฝึกนั่งสมาธิกันงารนั่งสมาธินี่เป็นการแยกกายแยกใจออกจากกันเมื่อเราแยกเป็นแล้วพอเวลาเราไม่สบายเราก็แยกใจออกจากร่างกายเข้าสมาธิไปใจก็ไม่ถูกกับความเจ็บไายในปวดร่างกาย ไม่ยอมนั่งสมาธิกันไม่ยอมแยากกายแยกใจเวลาสบายแล้วจะมาแยกตอนที่มันไม่สบายมันก็ไม่มีกำลังที่จะแยกคุณประชาครับการไปรับบาปที่อบายหรือนรกอย่างยาวนานในพระไตรปิฎกมีบางท่านจำได้เลยไม่กล้าทำบาปอีกแต่คนส่วนใหญ่จะจำไม่ได้กลับมาก็อาจทำบาปอีกแบบนี้ก็เสียเวลาไปอยู่ที่อบายเปล่าๆตัวเราไม่มีอะไรดีขึ้นใช่ไหมครับ เราว่าเสียเวลากรือไม่ก็ไป่รู้นะการไปอยู่อาบายเมือนเหมือนกับ ก, การไปรติดคุกทำทำการว่าบอกว่าเสียเวลาที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรก็อาจจะเปนเสียเวลาก็ได้แล้วอาจจะกลับไป ท, ำทํำซ้ำซากออกมาจากคุกแล้วเดี๋ยวก็กลับไปติดคุมมอออกใหม่อีกเพราะไม่จดไม่จําะไม่มีโอตับบาไม่มีไม่มีความกลัวบาปกลับมาก็กลับมาทําบาปเหมือนเดิมอยู่ คุณวันเพนครับหากรู้สึกหมดไฟในการทำงานมองทุกอย่างรอบตัวในแง่ลบรู้ตัวแต่ไม่สามารถบังคับจิตใจไม่ให้รู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายได้ขอคำแนะนำดึงจิตใจกลับมาได้อย่างไรบ้างครับฝึกสมาธิฝึกสติจับใจให้หยุดคิดความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดจากความคิดของเราเอเราหยุดความคิดได้ความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายก็จะหายไปแล้วเราก็จะมองโลกในมุม เออเอีกุมหนึออ่งได้ว่าลงมันก็มีสองมุมก็มีสองด้านมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาช่วงนี้มันลงเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงขาลงแย่ทุกอย่างก็ขึ้นได้ในช่วงที่มีโควิดใหม่ๆนี่ต้องปิดกิจการกันไปหมดเลยเดือดร้อนกันไปหมดเลยพ อ, อเดี๋ยวนี้ทุกอย่างกลับมาเปิดเป็นปกติทุกอย่างก็กลับขึ้นมาเจริญขึ้นมาได้ เราก็ต้องเวลาที่เราเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ก็ต้องเบิกต่อยในความคิดเหล่านี้ได้ก็จะดีที่จะทําให้ใจเราหายท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วขั้นที่สก็สอนว่าเราอยู่ในโลกของอนิจจามีขึ้นมีลงเป็นธรรมดามันลงง่ายเนี่ยว่าขึ้นได้ให้คิดอย่างนี้มันขึ้นง่ายเนี่ยมันก็ลงได้เรียกว่าใช้สติกับปัญญา คุณบีครับเวลาต้องไปเจอผู้คนจะเห็นอัตราตัวเองชัดมากจะมีธรรมะข้อใดที่ช่วยลดอัตราได้บ้างครับก็อย่างที่พระเจ้าบอกว่าเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นไงอย่าเอาตัวตอนออกไปรับรลยเอาตัวรูกไปรับรลยให้ลูกเฉยๆคุณน้องครับกลับเรียนถามเวลามีอะไรไม่พอใจมากระทบแล้วเราหนีมาดูลมมันถูกไหมคือทิ้งเรื่องนั้นไปครับ ก็ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเดียวกลาที่จะไปะเผชิญแล้วทำให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเราก็หลีกเสียถอยเราลบเข้ามาในสมาธิอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นความความรู้สึกไม่สบายใจมันก็จะหายไปแต่ถ้าถ้าจะแก้ปัญหาอย่างถูกจุดจริงๆก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าเราอยู่ในโลกที่มีทั้งดีและไม่ดีแต่เป็น นแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถรับได้ทั้งสองสองด้าดีก็รับได้ไม่ดีก็รับได้ถ้าเรามีใจที่ที่มีความมีสามาธิมีอุเบกขาแล้วก็มีปัญญามองโลกทั้งสองมองแง่สองมุมว่าโลกเรามีทั้งบวกก็มีทั้งลบมีขึ้นมีลงแต่ใจเราท่านมีอุเบกขาวามเฉยได้เราก็จะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาได้คุณ aw ครับ เรียนพระอาจารย์ค่ะพ่อแทบไม่ได้เลี้ยงดูพ่อชอบยักยอกเงินบริษัทที่แม่เป็นเจ้าของมาตั้งแต่เด็กจนโตมีภรรยาน้อยและลูกหลายคนดิฉันเห็นจนไม่มีศรัทธาตัวต่อพ่อบางทีก็ต่อว่าพ่อแบบนี้บาปไหมครับก็บาปเพราะพ่อเขาก็เป็นผู้มีพระคุณของเราเรามองแต่สุดด้านลบของเขาเราไม่ยอมมองด้านบวกของเขางานพระคุณก็ก็มีเยอะถ้าไม่มีเขาเราก็เราก็เกิดมาไม่ได้แค่นี้ก็พอแล้ว บุญของเขาเพียงแต่ให้เราก็มีโอกาสได้มาเกิดนี่ก็เหนงอเฟือแล้วมากกว่าความผิดความไม่ดีของเขาต้องต้องหลายเท่าแล้วไม่ยอมมองด้านที่ดีของเขาว่าถ้าไม่มีเขาเราจะเราจะมานั่นด่าเขาตอนนี้ได้เลยรืม่มาว่าเขาได้ใช่ไมนี่แหละถ้าเราไม่มีเขาเราก็จะไม่มีร่างกายอันนี้ให้มองแค่นี้มองความดีของเขาบ้างอย่าไปมองแต่ความไม่ดีของเขาเพียงอย่างเดียว คนเราไม่ว่าเขาเป็นใครก็ตามมีสองด้านมีหน้ด้านดีแล้วมีทั้งด้านไม่ดียพยายามอย่าไปมองคนเพียงด้านเดียวพยายามมองให้ครบช่วยบริบูรณ์ทั้งสองด้านนั่นจะทําให้เราอะจะได้ไม่มีอคติกับเขาไม่ไปรักประชันเขาถ้ารักก็มองด้านไม่ดีถ้าชังก็มองด้านดีแล้วเราก็จะเฉยเฉยปล่อยวางก็ได้เขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะชั่วก็เรื่องของเขาไปก็ทำนั้นมันไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่ ใช่ไหมครับใช่ครับคุณแคทครับทานโดยใช้เงินกับทําทานโดยจัดหาพัฒนาหารไปถวายพระที่วัดยังไงดีกว่ากันครับก็ยังไงก็ได้แล้วแต่ว่าเราอันไหนมันที่จะเหมาะกับเหตุการณ์ถ้าถ้าหิวข้าวไม่มีอาหารให้เงินไปแล้วเงินที่ไม่สามารถไปซื้ออาหารมาได้มันก็ไม่เปิดประโยชน์อะไรก็ต้องหาอาหารไป แต่ถ้าเอาเงินไปแล้วเงินนี้สามารถไปจัดหาอาหารมาแทนแทนอาหารได้ก็ใช้เงินก็ได้แลแต่แล้วแต่ความเหมาะสมคุณทิปยพนครับบางบอกว่าบางครั้งคําตอบของพระอาจารย์เกิดความแผลซ่านในตัวครับเขาเรียกว่าปิปิตรไงเวลาเกิดความแผลซ่าเนี่ยความรู้สึกที่เรียกปริติ คุณเที่ยวไปเรื่อยครับบอกว่าธาตุรู้ที่ละวางได้หมดหนึ่งรอยเปอร์เซ็นก็คือธรรมธาตุหรือนิพพานใช่ไหมครับใช่ใช่ธาตุที่ไม่มีความลบโลกดลกกไม่มีความอยากต่างๆว่ามัน ก, ก็ถือว่าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ร้อยเปอร์เซ็นก็เป็นธรรมธาตุเป็นนิพพานอันนี้เป็นชื่อที่เราพูดถึงจิต ท, ที่บอยส่วนินี่ คุณปูเป้ครับวันนี้หนูไปทํา m ์ไสมองสวดมนต์และเข้าสมาธิไปด้วยค่ะเสียงเครื่องเคาะเหมือนเคาะเสียงแบบบทสวดจีนพอจิตออกจากสมาธิจะเข้าไปไม่ได้เริ่มเจ็บศีรษะเลยเปย็นจินตนาการการเล่นเกมหน้าทีวีแบบยิงปืนเพราะเสียงเครื่องเหมือนเกมเจ้าค่ะเลยไม่ได้ปวดกโหลกที่หัวมากหนูสามารถคิดหนีความปวดไปก่อนได้ไหมเจ้าคะไปคิดว่าเล่นเกมจับเสียงที่เครื่องครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของอุบายของเรากแล้วกันถ้ามันได้ผลดีก็โอเคการใจให้เราไม่มีความรู้สึกทุกข์กับมันก็ใช้ได้คุณเป๊ปครับถ้าทําแต่สมาธิยังไม่ยกจิตสู่วิปัสสนาเวลาเจอโทรศัควรจะทำอย่างไรครับถ้ายัางใช้วิปัสสนาไม่เป็นก็ใช้สมาธิแทนเ ก, กิดโทรศัท์ก็พุโทโธพุทโธอยุดมันทําใจให้สงบให้นิ่ง แต่มันก็อย่าความโทสะมันก็จะไม่หายไปแบบถาวรเดี๋ยวเจอเหตุการณ์ใหม่โทสะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าอยากจะให้โทสะหายไปอย่างถาวรต้องใช้วิปัสสนาพิจารณาว่าโทสะของเราเกิดจากความอยากของเราอย่ากใ น, นสิ่งที่เป็นของสิ่งที่ไม่แน่นอนที่เราควบคุมบังคับไปได้เพื่อประหยัดในสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังนัสตาแต่อยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังนตา เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนจว่าต่อไปนี้เราอย่าไปอยากกับทุกสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ในโลกนี้เพราะเราไปสั่งขาไม่ได้ห้ามขาไม่ได้แล้วต่อไปเราก็จะเฉยเห็นใครเราก็จะเฉยเห็นอะไรเราก็จะเฉยไม่เกิดความอยากาเพราะไม่มีความอยากกับเขาเราก็จะไม่มีความโกรธเขาอันนี้ก็จะก็จะความจัดโทสะอย่างถาวรด้วยวิปัสสนา คุณทัศนาครับกับเรียนถามครับคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากๆมีวิธีแก้ไขได้บ้างไหมครับมาถึงตัวเราเองและคนอื่นคนอื่นเราไม่แก้ไขก็ไม่ได้เรแาแก้ไขตัวเราเองก็คือเราต้องใช้การไม่เห็นกับตัวมาแก้เนื่งการฝึกพระเจ้าบอกให้ฝึกสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน ได้มากเลยนอะนก็ให้ยินดีอย่าไปจู้จี้จุกจิกอย่าไปมีความว่าจะต้องได้อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องให้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กานมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราคอบกุมบังคับไม่ได้อย่างนั้นเราพอใจกับสิ่งที่เรามีแล้ยินดีกับสิ่งที่เราได้รับคุณอัญหุนเปรี้ยวครับ แฟนเพื่อนเป็นชาวต่างชาติป่วยเป็นมะเร็งถามเราว่าฉันก็รู้ว่าเธอเจอโรคร้ายเช่นกันเธอจัดการกับมันอย่างไรได้นำหลักธรรมการทำศีลสมาธิปัญญาและอุเบกขาพยายามอธิบายให้เขารับรู้เขาก็ทึ่งในหลักพุทธศาสนารู้สึกภาคภูมิใจอย่างนี้ถือว่าเราปฏิบัติธรรมทานไหมเจ้าคะถ้าเขาถ้าเอาเอาธรรมะที่เราสอนเขาไปรับเอาปประโยชน์ได้ก็ถ้ามเราให้ธรรมทาน คุณเจมส์ครับการที่เราพุโทโธพุโทโธดูกายเปรียบเหมือนการซ้อมสติเพื่อสร้างสมาธิเพื่อนำไปใช้รู้สิ่งที่ละเอียดกว่าภายในตนเองคือเห็นความคิดและกิเลสถูกต้องหรือไม่ครับโปรดอธิบายชี้แนะด้วยครับคือการทำพุโทโธโดยหลักก็คือเราต้องการทำใจให้สงบนิ่งให้เย็นให้สบายมีความสุขส่วนการอันนี้เป็นเป้าหมายหลักของการทาสมาธิให้ใจเรามีความสุข มีความสงบมีความสบายใจไว้วางทุกสิ่งทุกอย่างได้ชั่วคราวแล้วขั้นต่อไปใจที่สงบก็จะสามารถที่จะเอาไปเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นเห็นสิ่งที่ถูกไม่ผิดได้เห็นความคิดที่ถูกหรือผิดได้พอเวลาความคิดผิดนี้มันจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจก็จะเห็นได้ชัดเวลา คิดไปล้วทำให้ใจสงบทําให้ใจเย็นก็จะเห็นว่านี่เป็นความคิดที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นปัญญาอันนี้ก็จเป็นสิ่งที่ตามมาต่อไปหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วคุณเนทครับอยากแชร์เรื่องที่กรณีมีทุกข์แล้วสวดมนต์ไม่ได้ปกติสวดมนต์ทุกวันเมื่อถึงเวลาสวดมนต์ในขณะที่ตัวเองยังทุกข์ค้างอยู่แต่ก็สวดเมื่อถึงเวลาในขณะที่สวดรู้สึกได้ว่าเกิดอาการ ความทุกข์หายไปและรู้สึกโล่งมีความสุขที่สามารถยินได้ก็รู้สึกแปลกมากขอถามพระอาจารย์ค่ะว่าเกิดอาการอย่างนี้จากอะไรครับก็เกิดจากการที่เราได้ฝึกสวดมนตทุกวันอพอถึงเวลาที่เราจะต้องสวดเราก็จะสวดได้การสวดมนนี้ก็เหมือนกับการกินยาถ้าเรามียาอยู่ใกล้ตัวเราพอเราไม่สบายเราก็หยิบยาขึ้นมากินได้เลยแต่ถ้าเราไม่มียาอยู่ใกล้ตัวเราอยู่ที่ร้านอย่างเงี้ย ไม่นานที่เราไม่สบายขึ้นมาเราก็ไม่มียากินต้องไปหายาที่ร้านอซึ่งอาจจะไปไม่ได้อาจจะไม่มีรอดเรื่องอยู่ในเว้นยามวิกการนี้เราก็จะไม่มียามารักษาโรคของเราที่เกิดขึ้นทันทีทันใดถ้าเราสวดมนต์อยู่เรื่อยๆพอ เ, เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สามารถใช้การสวดมนต์นี้หยุดความทุกข์ได้ทันทีเนี่นคืออันที่สองขอการที่เราพยายามฝึกฝน การสวนมนุ์อยู่เรื่อยๆทําอยู่เรื่อยๆให้มันเป็นนิสัยแล้วพอถึงเวลาก็จะทําได้เลยถ้าเราไม่เคยส่วนเลยนี่เราจะส่วนไม่ออกนะตอนที่มีคําถามตอนแรกที่มีคนถามว่าเวลาทุกข์แล้วที่ส่วนมันไม่ออกเลยก็เพราะว่าเราไม่ฝึกชอบไม่ก่อนนั่นเอง ค, ณณครับคุณนัทวัตรครับขณะเรากําลังนั่งสมาธิแต่มีน้ําลายไหลามาในลําคอสามารถกลืนลงไปได้ใช่ไหมครับ เกินได้ไม่ห้ามแต่ไม่เกินได้จะดีกว่าเพราะว่าเว้นทําสมาธินี่เราต้องการที่จะปล่อยวางร่างกายเราจะดึงใจออกจากร่างกายแต่ถ้าเรากลับไปกลับไปทําอะไรกับร่างกายแสดงว่าเรากลับเข้ามาในร่างกายแทนที่จะปล่อยร่างกายออกจากร่างกายไปเราก็ยังติดอยู่กับร่างกาย มันจะเป็นน้ำเกินน้ําลายแล้วคันตรงนั้นคันตรงนี้นล้วเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้แล้วต้องขยับนี้อันนี้มันเป็นการกลับมาที่ร่างกายใจก็เลยไม่สามารถเข้าสมาธิได้มันเข้าสมาธินี้เป็นการดึงใจออกจากร่างกายไปชั่วคราวคุณเจมส์ครับละวิจิกิจฉาและศีละปะตาปรามาสได้แล้ว แต่ยังมองเห็นกายเป็นของเราอยู่ขอโปรดพระอาจารย์ชี้แนะครับก็ยังไม่เห็นว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟยังเห็นว่าเป็นตัวเราของเราอยู่อันนี้ก็คือความหลงความจริงร่างกายไม่ใช่ตัวเราเหมือนคนโบราณเขาอองเห็นโลกที่ว่ากลบว่าโลกที่แบนมันเป็นเพคเความเห็นยิ่งท่านเองไม่ใช่เป็นความจริงความจริงก็คือโลกมันกลมในความจริงก็คือร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวตนเป็น เป็นทุกตาที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟใจที่มาครอบครองแล้วมาเชื่อมต่อด้วยนีย้ไปลงคิดว่ามันเป็นตัวตัวเราของเราเท่านั้นเองเราต้องก้าที่ตรงนี้ต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนั้มันเป็นดินน้ำลมไฟมาจากธาตุสี่แล้วเวลาตายไปมันก็กลับคืนสู่ธาตุสี่เราเราอยู่ตรงไหนในร่างกายไม่มีตัวเราสักตัว ส, สักจุดหนึ่ง ลองค้นหาดูอาการ32ในร่างกายดูว่าอาการไหนเป็นตัวเราบ้างมีไหมผมเป็นเราหรือเปล่าคนเป็นเราหรือเปล่าเลี้เป็นเราหรือเปล่าฟันเป็นเราหรือเปล่าไล่ไปได้ทั้ง32 อ, อาการมันก็ใหญ่เราไม่มีส่วนไหนเป็นตัวเราของเราเลยอันนี้เป็นจะแก้ความหลงได้กูเจอสครับ เคยได้ยินว่าทําบุญทําทานกับคนจะได้บุญมากกว่ากับสัตว์จริงหรือไม่ครับส่วนตัวจะทําบุญกับสัตว์มากกว่าเพราะเขาไม่มีโอกาสมาพูดบอกหรือเรียกร้องเหมือนคนครับคือบุญนี่มันมี2 ส, ส่วนเวลาเราทําบุญกับใครนี่มันมีสองส่วนส่วนแรกนี่เหมือนกันหมดคือการความรู้สึกสบายใจสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะช่วยกับสัตว์ช่วยกับคนเราช่วยเขาแล้วก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกสุขใจอิ่ใจ อันนี้บุญส่วนส่วนแรกที่พูดนะอันนี้เหมือนกันน้อยจะทำกับใครก็ได้บุญเหมือนกันแต่บุญบุญส่วนที่สองที่เราได้ไดจากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยนี่ต่างกันช้าเราไปทําบุญกับพระท่านก็มีธร ร, รมะสอนเราพูดคุยกับเราเราไปทําบุญกับ ม, ม้ามันก็เห่ามันก็มันก็มันก็ได้แต่เห ba ่าก็ให้เราฟั ง, งนั่นเองก็อันนี้ต่างกันประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปไปทําบุญด้วยนี่จะต่างกัน อยู่ที่ว่าเขามีอะไรให้เราเป็ น, ปนการตอบแทนมามันก็จะเห่าเฝ้าบ้านให้เราเวลามีขโมยเข้ามามันก็เห่าเดอนเราบอกมีคนเข้ามาแล้วแต่ถ้าไปคุยกับพระพระท่านก็นจะสอนธรรมะให้กับเราอันนี้ต่างกันบนเนี่ยบนอันนี้ต่างกัน บางที่คนไม่เข้าใจแล้วสับสนเวลาเราบอกทํากับใครได้บุญเท่ากันเขาก็เอามาแย้งว่าเย่า ง, ยงทำกับหมานี่ได้บุญเท่ากับทําบุญกับป้าอะไรนั่นถ้าส่วนที่เกี่ยวกับการให้นี่เหมือนเท่ากันแต่สิ่งที่เราจะได้จากป้าและจากหมานี่มันต่างกันคนไม่เข้าใจครับพราะมันมีสองส่วนเนี่ยอันนี้เด็อธิบายให้ฟังว่ามันมการทําบุญนี่มันมีสองส่วนที่เราจะได้ เงิที่เกดจากการให mm ้นี้เท่ากันไม่ว่าจะให้ใครให้เงินร้อยบาทกับคุณหมอให้เงินร้อยบาทกับเรานี้ด้วยความรู้สึกจะมีความสุขได้มีความสุขใจเท่ากันแต่สิ่งที่คุณหมอจะได้สิ่งที่จะได้รับจากคุณหมอกับสิ่งที่ได้รับจากเรานี้ไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันถ้าไปทํากับคุณหมอหมองก็คุยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ฟังก็จะได้ความรู้ทางด้านร่างกาย แต่ถ้ามาคุยกับเราแล้วมาคุยเริ่มงธรรมะให้ฝังก็จะได้ประโยชน์จากการจ ะ, จะได้เริ่มธรรมะไปฆ่ากี่เลยมดยกับจากความทุกข์ทางใจอันนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมเข้าใจเรื่องปุ้ยนี้เข้าใจครับอ า, าจารย์ครับชัดเจนครับคุณปุ้ยครับ วันนี้ขอโอกาสถามเรื่องจิตผ่องใสเป็นอวิชชาคะ่ะมีทุกข์ไม่ดีมีสุขไม่ดีเฉยชาไม่ดีอันนี้เข้าใจแต่เวลาเรามีสติอยู่กับตัวตลอดคือความสว่างเองรู้เองมันรู้สึกผ่องใสนี่คืออวิชชาหรือครับอวิชชานี่มันมันเป็นอวิชชาในระดับของผ้าระยะผ้านาคาเมขึ้นไปเนี่ยจิตที่ได้กกละกามกาม ก, า ม, กามได้หมดเนี่ยจะเป็นจิตที่ผ่องใสที่สว่าง แต่ถ้ า, ายังไม่ได้เป็นผ้ารยาาะยะนี้ความสว่างของเรานี่มันเป็นสว่างระดับของโลกียะสว่างของสมาธิของความสงบของความว่างของใจแต่ยังมีกิเลสฝังอยู่มีล้อกลดของระดับโลกียะฝังอยู่ไม่เหมือนกันคนระดับกันอาจมรย์กันสามตึ้งครึ่งพอดีครับผมครับ <laughs> อาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังกันใน Facebook 723คนในย t u b บ594คนในคลับเ้าส์8คนมีเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนฟังทำด้วยกัน 1,325 คนครับอาจารย์รก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาสนาทนาฟังทมกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากกั น, น้อยการสนทนาธรรมสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านตรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณนหมอกับท่านผู้ชมผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ถ้าโอกาสหน้าถ้าไม่มีอุปสรรคโอกาสหน้าก็คงจะได้พบกันอีกที่เดิมเวลาเดิมวันเดิมคือวันอาทิตย์เวลาเดิม อนนี้ก็ขอเจ ร, อริญพรกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ